จะนอนพอนทุกท่านได้ยินไหมครับผอได้ยินครับผมสบายทุกคนนะครับผมเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาแปดสิบนวันนี้คุณมุนดิตาเชิญมุนิตารับนนมัสกัดอาจารย์ วันนี้หนูหนูอยากถามเกี่ยวกับเอกกัคาตาารมณ์อะค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับต้องเข้าสมาธิหรืออารมณ์เป็นฌานหรือเปล่าคะเป็นเป็นหนึ่งเอกกวันหนึ่งสัคตวารุษฌานสี่นสักตวรนะตวรุษมเบาต้องเข้าฌานสี่ก่อนถึงจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นมันยังมียังมีปิติมีสุขมีอะไร เนี <No. S 2> ่ยมันหายไปหมดแล้วแต่ความว่าง okay. คือจิตรวมใช่ไหมครับเอ่จิตรวมเป็นแบบออันนี้ไม่ต้องไปวาดภาพมันต้องพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆมันจะมันรวมของมันเองฆ่าไปคาดไปคิดมันไม่ลนมต้องหยุดคิดหยุดคฆ่าให้อยู่กับการดูลมแล้วอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวโอเคค่ะอาจารย อยากไปอยากให้มันรวมอี่ยไปเ่้าให้มันรวมในหลวงอยากถึงเวลาจะรวมรวมเองใช่ไหมคะมันต้องอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวแล้วอยู่ที่โรงยอย่างเดียวไม่ยงรวมได้ค่ะได้หายหน้าไปไหนมาจริงๆว่าสัปดาห์ที่แล้วฟังฟังอย่างเดียวค่ะอาจารย์ไม่ได้เข้ามาคราวนี้ถามว่ามาทำกิจ เมื่อพอดีช่วงวันนี้ช่วงเดี๋ยวนี้วันอังคารค่อนข้างจะยุ่งอ่าไม่มีเวลาเลยเข้ามาวันพูดแพนค่ะ ค, ค่ะมีเท่านี้ใช่ไหมมีเท่านี้ค่ะวันนี้ค่ะแล้วฟังต่อต้องไปไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องอนเลยยุ่งกับเรื่องภาวนาดีกว่าค่ะเรื่องเรื่องงานก็ให้ให้น้อยลงลงไปเออจะดีกว่ามันเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรมากนะ ค่ะยังไม่มีไว้สําหรับเรื่องต่างเรื่องเท้าก็พอแล้วมากก่านั้นก็ไม่มีไปอะไรมีแต่โทษได้ตอนตอนนี้ก็พยายามจสนใจอย่างหนึ่งให้น้อยลงอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะโอเคไปที่อาจารย์พรมพิรนยอาจารย์สบายนีนะกราบมรสการพาสบายดีค่ะอ่ายเพื่อการสบายดีนะคะบายนี้ค่ะ เออพกำลังใกล้ยลยพุตรพุทรธอะสุมกักที่นี่วยนนี้วันนี้ไม่มีคำถามค่ะมารับฟังค่ะโอเคเนี่ยไปที่คุณก้องต่อเลยค่ะวันดีคุณก้องกับสิริวันนี้ก็หายไปหลายหลายเดือนครับกล่าวนมาตการพระาจย์ครับ หาไม่ได้มาให้ไม่ได้มาก็ส่วนใหญ่จะหางานทําแล้วก็ทําพยายามทําทําธุรกิจนะครับแล้วก็ยังตกงานนี่คําถามได้ไหมครับพระอาจารย์มีคําถามครับเชิญถามได้เลยครับผมเรื่องเรื่องศีลนะครับพระอาจารย์คือ เขาเรียกว่าแม่ทีมของผมเขาบอกว่าทําธุรกิจเนี่ยครับอาจารย์ก็แบบมีการถ่ายรูปโฆษณาเนี่ยครับแบบประมาณว่าสมมุติเราถ่ายว่าเราถ่ายให้ให้ดูเหมือนว่าวันนี้เราขายของได้สิบบ้านครับแต่จริงๆแล้ววันนั้นอ่ะเราอาจจะมีออเดอร์หรือว่าไม่มีออเดอร์แต่ว่าเราถ่ายเพื่อเราถ่ายเพื่อให้มันดูเหมือนว่ามันขายดีครับ ตอนแรกผมก็ผมก็ถามเขาว่าแบบมันจะเหมือนเหมือนเราโกหกเขาไหมเงี้ยครับว่าจะก็มันขายดีบ้างรอเปล่ามีมันมีขายดีบ้างรึเปล่ามันมันขายดีขายดีแบบที่ถ่ายรูปมันไม่ต้องเป็นวันนั้นก็ได้โฆษณามันมันติดไม่เป็นเดือนมันไม่ใช่มันเปติดแค่วันเดียวอเง้ขาแล้วก็เขาบอกว่าประมาณว่าอย่างเช่นให้พิมพ์ให้แบบเหมือนกับเขาเรียกว่า เราอวดอวดออเดอร์ครับว่าวันนี้มีมีคนสั่งสิบบ้านนะแล้วมันก<น>็มันมีความจริงยู่บ้างก็เปล่าถ้าไม่มีความจริงก็โกหกถ้ามันมีเ้าไม่โกหกไม่แน่จะไม่ตรงกับเวลาวันที่เราทําโฆษณาแต่วันอื่นมันก็มีออเดอร์มาเน่ยนี่ครับผมผมผมถามเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นการตั้งเป้าหมายครับะอาจารย์ ก็แล้รแหละมันไม่สนใจเราสนใจอย่างที่ว่ามันมีมันมีความจริงอยู่ว่าแเปล่ที่เราถ้าไม่มีความจริงมันก็โกหกแล้วเผ็ดสีถ้ามันมีความจริงแต่มันอาจจะไม่ตรงกับวันที่คนทำโฆษณาไม่เป็นไรผมผมยังงงอยู่ว่าในเรื่องการตั้งเป้าหมายอะที่มันมันเป็นอนาคตนอครับอาจารย์สมมุติเขาบอกว่าอ่าให้ให้ให้เราแบบ ซื่อออกไปว่าไอ้วันนี้วันนี้มีมีคนมามีคนมาสองบ้านนะมีคนมาสั่งเราเนี้ยแต่จริงๆแล้ววันเนี้ยยังไม่มีคนมาสั่งเราครับเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นการตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่เข้าใจครับอาจารย์้าไม่รู้แหละถ้ามันทางโลกเป็นก็อย่างนี้แหละทางโลมันก็นกต้องคดไปคนมาอืมถ้าอยากจะซื่อสัตย์ก็ก็อยากไปทําตามที่เขาทำเลย เราก็พูดไปตามควาลจริงือแล้วอย่างนี้มันมันมันผิดศีลไหมครับพระอาจารย์โกหกว่ามันมผิดศีลแล้วแล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่มันมันเรื่องมันไม่เกี่ยวกับศีลเนี่ยศีลไม่ได้อยู่ทตีตั้งเป้าหมายแล้วไม่ตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแบบไม่โกหกก็ได้ตั้งเป้าหมายที่ศูนย์เห็นมันก็ไม่โกหกวันนี้ขายไม่ได้เลยยังขายไม่ได้เลย ก็ไม่โกหกแต่มันมีการค้าขายมันก็ต้องมีขายบ้างขายวันนี้ขายได้บ้างพรุ่งนี้ขายได้น้อยบ้างอย่างนี้เราเอามาเป็นสรุปเป็นภาพรวมมันก็ไม่โกหกใะยัยนมแต่ถ้าพูดเจาะจอาแต่เฉพาะวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้นขายไม่ได้เลยแล้วไปบอกเขาว่าขายได้ต้องสิบออเดอร์อย่างนี้มันก็โกหกไป ถ้าถ้ามันมีความจริงอยู่บ้างมันก็ไม่ไม่ผิดสิงใช่ไหมครับใช่แต่มันก็ไม่ผิดเพรมันมีความจริงมันก็แสดงว่าไม่โกหกโฆษณาส่วนใหญ่เขาไม่โกหกแต่เขาไม่บอกเขาไม่พูดให้มันหมดทุกอย่างมั้ยเขาพูดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่รอดใจคนสน่วนเรื่องที่ไม่รอดใจคนนี่เขาไม่พูดครับเพราะว่าถ้าโกหกก็ถูก เขามีมีอะไรอนะ่ะมีผู้ที่ติดตามคอยตรวจสอบอยู่ไม่ใช่ารโฆษณาชวนเชื่อถ้ผิดเขาก็ผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปไม่ต้องไม่ยอ่าถาผิดศีลเลยอ้าโฆษณาแบบไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเขาก็จับไปลงโทษได้แล้วก็แล้วก็เขาบอกให้ผมทำประมาณว่าให้เราแบบเหมือนกับว่าให้เราเรียกว่าไงอะ่ะ ทำแชทขึ้นมาครับว่าว่าอ่าสั่งอันนี้สั่งของนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ลูกค้าครับอาจารย์เป็นเป็นเราที่แบบพิมพ์ทําทำแชทขึ้นมาเองครับครับ อ, อ, อาจารย์อย่างนี่งี้ถือว่าถือว่าผิดคลินะครับอาจารย์มนันก็ไม่เป็นความจริงบ น, นี้จะผิดเปล่ปาผิดใช่ไหมครับอก็ทํา ไ, ไม่ให้เพื่อนแชทเข้ามา <c oughs> เขาบอกว่าเพื่อนชัดเขามาแล้วเพื่อนสั่งสิบล้ออะก็ว่าไปนี่ก็ไม่ผิดแต่สั่งแล้วเดี๋ยวเขาเขายกเรื่องทีหลังจะเรา่อนนั้นเราไมนเราไม่ต้องมาบอ ก, อ, อกเขาก็ได้เขายกเลยแต่ตอนนี้เขาสั่งแล้วแล้วก็โฆษณาได้อ๋อครับเขาบอกผมว่าให้เราแบบเราก็สั่งให้ตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมใช่มันไม่เป็นลายทางเราไม่รู้นะอันนี้มันก็ มันละเอียดทุนพู ด, พดเอาเอาซัา้นๆแค่นี้ยมันมันจริงก็ไม่จริงถ้าจริงก็ไม่โกหกถ้าไม่จริงก็โกกก็แล้วกันโอเคมีอะไรไหมอมีเท่านี้ครับพราจารย์โ okay, อเคอคุณหมอภาะสนะขับรถไปไหนเลยแล้วนั่งรถในรถพราจารย์พอดีมาไปประชุมครับประชุมวันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะเขาอนุญาตมาประชุมของกรรมการกมาคมคมอะค่ะอืม ก็เดี๋ยวจแหละคุยได้แล้วค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยววันอาคเอาท์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ที่ทําในสัญชิกค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่ามันสามารถทําได้จริงๆพระอาจารย์ก็คือว่าไม่มีง่วงนะคะแล้วก็นั่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตั้งแต่ห้าทุ่มพอถึงตีสามนาฬิกาปลุกปกติตื่นตีสามใช่ไหมก็ออกมาเดินก็เดินจมกลมแล้วก็นั่งต่อพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันมันสามารถนั่งไปได้แล้วก็ ก็ตั้งแต่กลับมาจากขาวชีโอนะคะพระอาจารย์มันรู้สึกว่ามันสามารถจะอารมณ์มันมันสงบอ่ะมันสามารถจะคุมหลมได้ค่ะแล้วก็แล้วก็วกไปหาวัดที่พระอาจารย์บอกอที่ที่เหลือเนี่ยเขาปิดหมดใช่ไหมคะแต่ว่าวัดาสาราน้อยวัดปากสาราน้อยเนี่ยยังไม่ไม่ปิดแต่ว่าก็ได้ขอเบอร์คุณหามแตะว่าปุกโทรไปแต่ว่า คงคงอาจจะต้องวิ่งไปด้วยอ่ะพระอาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อไม่รู้จักก็เลยว่าเดี๋ยวจะจัดเวลาอาจารย์คืออยากไปตอนช่วงนี้เพราะว่าพระอาจารยอกว่ามันมีกิเลสบางกลุ่มก็เลยอยากจะไปอยู่ด้วยค่ ะ, ะอาจารย์เ ด, ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจัดเวลาไปซักไปดูไปดูก่อนแล้วก็ไปจองว่าจะไปวันไหนเพราะมีวันเดียวที่ที่สามารถที่จะจองได้พระอาจารย์ประเสรอ ไ, ไปก็แล้วกนะันไปปฏิบัติไปเพื่อกําจัด ความอยากต่างๆความยึดมั่นถือมั่นไม่ช่ต่างๆตอนคำถามของเค้านี้นะคะพระอาจารย์คือตอนเนี้พอเราเวลาตอนตอนธรรมดาเนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของขันทั้งหมดเลยคือทั้งนามาขันแล้วก็รูปขันรูปขันเนี่ยคือแบบโอเคคือมันมันพิจารณามาตลอดมันก็ได้แล้วแต่ว่านามาขันเนี่ยก็พยายามที่จะลม้มลุกพยายามพิจารณ า, าตรงนี้มันจะช่วยเรื่องของ เรื่องของความโลภด้วยใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคุมอารมมันมันเหมือนกับว่ามันมันทำให้เหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนสัญญามันทาให้รู้สึกว่าเปลี่ยนสัญญากับสังขารนะคือมันเห็นว่าตักอย่างมันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันก็เลยมันเลยมันเลยยังไม่ค่อยมีความอยากหรืออารมณ์สิ่งนี้สุกทางแล้วใช่ไหมครอาจารย์ที่เราดูนามขันนะคะใช่นี่ลองตัดความด้วอ ของที่เรายังไม่มีแต่ของที่เรามีเราไม่พิจารณาเนอมันก็มันก็ไม่ใช่เป็นของเราเหของที่เรามีของที่เรามีอืของที่เรามีมันก็ไม่ใช่เป็นของเราวันนี้เคลื่อนดีมันก็จะจะากออกไปก็ได้่ะในเรื่องของของที่เรามีแล้วก็กันพลาดพลาดอาจารย์คือรู้สึกว่ามันมันเริ่มเข้าใจมากเรื่อยๆแล้วก็หนังสืออ่านวิทยส์ได้หมดเลยนะคะเกือบเกือบหมดแล้วอ่านของคารวาสของมันเทชิตก็แล้วของของตามหาบัวค่ะ อ้ารู้สึกว่ามันเข้าใจเพิ่มมาึ้นเดี๋ยวไปทําต่อพระอาจารย์ก็ต้องปล่อยทุกอย่างเพราะทุกอย่างเป็นสัพเพธรรมานตาสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราพระอาจารย์คะสังขาราอันนี้จังสังขาราทุกขังสัพเพธรรมานตาสังขารเนี่ยหมายถึงทั้งสังขารในกับนอกใช่ไหมคะหมายถึงสังขารเราแล้วก็สังขารความคิดปรุงแต่งด้วยใช่ไหมคะทุกอย่างที่มันเป็นส่วนประกอบขึ้นมา วันนี้กำลังทำงานมาขันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากเลยวันนี้กลับไม่ได้นะเาว่านั่งขับรถอยู่ไม่เป็นไรหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะสาธุค่ะคุณค่ะปล่อยวางทุกอย่างเบ้าไม้ก็ปล่อยวางเบเกอรสัตว์ก็ว่าล้อย่าเป็นอินดิพีนเดนต์เตที่พระอาจารย์บอกค่ะจะพยายามปั้นใจพระอาจารย์ คือพระอาจารย์แนะนำได้เลหมดเลยนะคะคือพยายามตั้งใจในการทำไม่โกรธแล้วก็พยายามแบบทำกันบ้านพยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุดอโอเคสาธุคำาานะคำอค้อมระลังหน่อยนะพระอาจารย์ของคุณค่ะไลฟ์โฟนของซาตกิกาดาบนาะมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมรับฟังค่ะจากที่ไหนค่ะจากที่ไหนนะ ใจนาดค่ะใจนาค่ ะ, คะฟังเฉยๆนะค่ะวันนี้มาฟังแล้ฟังเฉยๆค่ะีคุมาลิกาต่อนรมลิกาบาอยู่ที่ไหนคุณมาลิกาได้ไหมคะอาจารย์ไ ด, ด้ได้ดได้เสียงดีฟังชัดจากในาลาที่ว่าไหมคุณอาจารย์ น, นาลาที่ว่าเจ้าค่ะจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ได้พระอาจารย์ได้ให้คําแนะนําในเรื่องของการกําหนดสติแล้วก็ก็มาทํำนะคะพระอาจารย์ก็คือในการขับรถนะคะพระอาจารย์ขับรถไปวดัดประมาณสิบหกกิโลไปกลับแล้วก็พุโทโธพุโทโธบางทีก็มันก็หลงนะคะพระอาจารย์ก็คือพุโทโธน้ําหนึ่งพุโทโธนั่นสองอะไระะไรักหนะอย่างนี้ก็หลงแต่ว่าก็รู้สึกว่าอืมนะน้าคน มันมันมันเห็นการพัฒนาของตัวเองหรือพระอาจารย์บางครั้งเราก็ฟูงบางครั้งเราเราก็รู้สึกอารมณ์ถุนเฉียวอันนี้ก็ก็ได้เห็นมากขึ้นครับพระอาจารย์จะเห็นว่าสติเรายังไม่ทันมันใช่เจ้าข่าพระอาจารย์นับได้ถึงยี่สิบมากที่สุดอนอกจากนั้นแล้วก็ลืมลืมไมไม่เป็นไรก็นับใหม่พอได้ได้สติกลับมาก็นับใหม่ ทำไปเรื่ยลงนุกขึ้นกาเนี่ยเดินได้สองสามเก้าแล้วกล็ล้มแล้วก็ลล้ก ล, ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาหมเดี๋ยวมัก็เดินได้ยาวขึ้นยาวขึ้นเดี๋ยวมันก็ได้ยี่สิบสามสิบสี่สิปดเลยต้องใช้ระยะเวลานานที่ไหนก็อาจารช์้จะได้อยู่ที่ทำมาก<แ>ทำน้อยถ้าทำมากก็ไม่ก็ไม่นานถ้าทำน้อยมันก็นานเหมือนตากน้ำใส่ตรงเน่ย ตักวันละขันกับตักวันละยี่สิบขันเนี่ยอย่างไรจะเต็มจะเต็มเร็วกว่ากันะนะทำทั้งวันดูสิเราทำทั้งวันมันก็จะเร็วขึ้นน ะ, ะแต่เวลาขับรถอะไรนี่ให้มันมีสติในการขับรถนะส่วนพุโทโธนี่ไวไ ว, ไวทีหลังหมายถึงว่า พูทรได้แต่ต้องดูรถด้วยไม่ใช่ดูแต่พูดโทรต้องรถไม่ดูเองแต่เธอว่าจ่าต้องดูรถก่อน16กิโลนั่นคือว่าจันไปวัดไปวัดที16กิโลเป็นวัดป่าเหมือนกันค่พะพ่อจั่เราก็พยายามเพราะว่าวันที่ห้านี้ก็ทำที่บอกพ่อนว่าวันที่ห้านี้ก็จะกลับต่อหลังแล้วจะกลับดังะแล้วก็ไปที่ระงงะนั้นจะไม่มีวัดป่าเป็นวัดที่เขาฉันอาหาร สองมือ้อที่นี่เขาฉันอาหารแค่มื้อเดียวจ้ะค่ัดเราก็ปฏิบัติว่าเราได้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็กินมื้อเดียวได้เราจะกินมื้อเดียวสาธกครับผูจัดหมดคำถามแล้วนะคะผู้จัดจากจคุณประพันธ์เชิญประพัน์จากข้อธมอยครับมิสขันค่ะผู้จัดครับมีคำถามไหมวันนี้เอ มีโอกาสให้ฟังเทตมคนเก่าตามฟังได้เรื่อยครับวันนี้สึกเอ่อฟังแล้วก็คือคือยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ตอนนั้นเองครับอย่างบางทีพูดถึงยังเคยผมเคยบวชแล้วตอนที่บวชก็จะสงบดีพอออกมาก็จะวุ่นแล้วก็พอมาทํางานหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วพอมีโอกาสจะไปอยู่วัดได้สักเจ็ดคืน ก็จะสงบแล้วพอออกมาก็ก็ก็เหมือนก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมมันเหมือนขึ้นขนลงลงไม่ไปไม่มาไม่พัฒนาเลยไม่ไม่ไม่ไม่ไมก้าวหน้าเท่าที่ควรพอได้ฟังวันเนี้ยครับว่าถ้าอยากก้าวหน้าคือ ก, ก็ต้องไปอยู่สักอยู่วัดสักเจ็ดปีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับมันถึงจะมีการพัฒนาหรือก้าวหน้าขึ้นหรือทาให้จิตมันสงบได้นี่ครับอาจารย์ ให้เราต้องสถานมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่มีเรื่องมาบรบกวนใจแล้วไม่มีกิจมาให้เราทําเราก็จะได้ปฏิบัติได้เต็มที่แต่ถ้าเรายังต้องทํางานต้องเกี่ยวข้ อ, ของกับคนมันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้เลยแบบว่าการปฏิบัติที่บ้านนี่จริงๆทําได้ยากถึงไหมครับก็สิ่งแวดน้อมมันไม่เหมือนกัน การรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่พร้อมเท่ากันการปฏิบัติจะเป็นเหมือนรักษาใจใจก็ลงมืเครื่องมีมีความวิเวกมีที่สงบสงัด ไ, ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ต้องทำ ง, งานทำการอะไรนอกจากงานที่จะเป็นคืองาน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำความสะอาดอะไรท่านมันก็จะทำให้การปฏิบัติต่อเนื่องแต่ถ้าทำงานนี้มันบางทีต้องทิ้งการปฏิบัติไปเลยครับให้กับเวลาของการทํางานแม้เราจะใช้วิธีการมีสติอยู่การทํางานเนี้ครับด้วยการเจริญสติมันก็เป็นสติแบบครึ่งเดียวเปสติแบบคิดเนี่ยเราคิดทํางานที่เราทําอยู่ แต่เราก็คิดทีละอย่างทําทีละอย่างใช่แต่มันไม่หยุดคิดก็ยังไม่เราต้องการให้มันหยุดคิดนะนี่เด็กรุ่นหลังที่ไม่เป็นกันใหญ่กับอาจารย์ครับเพราะว่าเขาทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยก็ไม่ของเราเลยไม่กังวลอยบางเขาทำไมไม่ใช่เรืเร่องของเรากังวลเรื่องของเราพอเพราะเราทําทีละอย่างเรายังไม่ค่อยก้าวหน้าเลยนั่นแหละใช่ไหมยังเขย่าไปยุ่งกับเข า, าเขาไม่สนใจไปแล้วเพราะผมพูดที่หมายถึงรูปผมเองเลยครับก็นั่นแหละ เอด็กรุ่นหลังก็จะเป็นอย่างเนีบ้บางทีฟังอย่างเนี้ครับเพราะว่าฟังอยู่คนเดียวในโลกของเขาแล้วก็ฟังเร็วมากจนกระทั่งแบบเราฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่รู้เรื่องยังได้ไกลครับฟังแบบตาเร่งอย่างนี้สองเท่าสามเท่าอย่างนี้ครับเรือ่องของเขาเรื่องของเขาแม้แม้ว่าจะเป็นรูกเราก็ตามใช่ไหมแต่ัทุกว่าเราทิ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณสอนว่าด้เราสอนว่าได้ สอนไม่ได้ก็งก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องเราถ้าสอนไม่ได้คือต้องอุเบกขายีใช่ไหมครับเออสอนไม่ได้จะทำะํำยังไงไม่ต้องปล่อยวางเอเพราะเพราะว่าจะทําตามเรื่องของเขาครับพระอราจารย์คเขาก็เกิดมีความประสงค์อยากจะทําบุญกับพระอาจารย์ด้วยการโอนเงินไหมครับจะขอเลื่องเลขบัญชีหรือจะติดต่อท่านไหนได้บ้างครับจวติดต่อคนนาวคนาวที่ เดี๋ยว่นขบวนเดียวเขจะแชทส่งข้อความให้ให้คุณเท่าไหรครับที่นั่นมีทำรบุญกรถิ่นไหมครับอาจารย์ครั บ, รบมีวัดก็มีธรรมบุญกระถิ่นเข้าดูที่เพจของวัดยานสังวรารามได้เขาก็ยังมีรายละเอียดด้วยทางปุณลากษ์ก็ได้บรัทจมเบร์โอนบัญชีของทางวัดด้วยครับได้ครับเปิดใน้แชทนะครับฟังยากนี่นอันนี้เหรอครับ สวัสดีครับเถือว่าคุณครับอาจารย์ครับคุณแดนต่อจากนิรดานี้การนมัสการค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะไมบมีค่ะไปที่คุอ้อมเลยนะคุณอ้อมจากบ่อเวินนมัสการพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไม่มีคำถาม ม, ม, ถา ม, มีคำตอบไหมมีค่ะก็ ส่งไปจองที่พักแล้วผูเ้เอ่อท่านตอบมาว่าน่าจะว่างอยู่ค่ะ เ, คเป็นออ่ช่วงวันที่ห้าหกเจ็ดค่ะโอเ ค, คไปไปเรื่อยๆนะไปเติมไปเก็บแ <c oughs> ต้งแล้วกันไปสะสมแต้มทีละเละ็กเลี้ยน้อยดีกวาไม่ทําเลยะค่ <c oughs> เวลาเรามันจะหมดไปเรื่อยๆนี่ษา <c oughs> สงไว้ค่ะ เออพระอาจารย์คะวันจันทร์พระอาจารย์เข้าที่หองฉันไหมคะเข้าเข้าวันจันทร์เนี่ยตั้งแพุ่งนี้ถึงวันอาทิตจะเป็นวันหยุดวันวันพระพรุ่งนีวันพระวันเล่นก็เป็นวันหยุดเฉยๆแล้วก็สาวทุดก็ยังไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าสาลาประชานที่ปกติไปปิดไม่เวกประชันคนเดียวค่ะค่ะค่ะค่ะขอพระคุณค่ะค่ะค่ะ ท่านต่อไปคุณไอโฟนเญ i ไอโฟนแต่ไม่ท ร, บราบไอโฟนที่ไหนเฝ้าคุณข้าราชการรการพระอาจารย์มีอะไรไม่สรนโดไม่มีค่ะตัดผมมาอ่าเปลี่นผ้ใหมนะ่นะจำไม่ได้ดผมสั้นเลยค่ะอ่าถมไปก็สั้นกันนี้ต่ไอไม่ก็แบบผู้ชายเลยคือว่าพระอาจารย์ปฏิบัติ เอ่อให้เข้าถึงปัญญาแล้วทีเนี้ยปัญญาก็จะสอนเราเองใช่ไหมครับอาจารย์คือเราก็ต้องศึกษามันมันไม่สอนเราหรอกเราเหมือนเรียนเรียนหนังสือเนี่ยมันมันไม่สอนเราหรอกเราต้องเราต้องเรียนเราต้องอ่าเราต้องเอาข้อข้อมูลความรู้จักหนังสือแล้วปัญญาเราก็ต้องความรู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าดูเหตุรูผลเนี่ย อเหตุคืออะไรคือการกระทําทางกายวาจาใจนี่ไม่มาเหตุผลที่เกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจก็คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางด้านจิตใจนี่นป็นแล้วก็สอนอย่างหด้วยสอนแน้รู้ว่าทาอย่างหนึ่งก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทาอีกอย่าง่็ทําให้เกิดความสุขขึ้นมา ถ้าเราต้องการความสุแล้วก็ทําอย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็อย่าไปทําอย่าไปทําอย่างนั้นค่ะอาจารอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะมาเองค่ะก็ฝึกฝอันนี้เรื่อยสอนฝึกแล้วก็มาสอนใจมาเตือนใจไม่ให้ลืมไห้รู้ว่าการกระทํำบาปจะทําให้เราทุกข์นี่ทำบุญทำให้เราเป็นความสุขนี่ แล้วก็เรามาคอยสอนใจเตือนใจแล้วเอามาใช้กับาการกระทำของเราพ่าเราจะทําบาปเราบอกโอ้ยอย่าทํำนะทำแล้วเดี๋ยวทุกข์นะถ้าอยากจะมีความสุขมีสตางค์แทนที่จะไปเที่ยวเอาเงนไปทําบุญแทนอย่างนี้ก็จะได้ความสุขาต้องรู้ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าเราจะกระทําอะไรอย่างไร ที่จะทำให้เรามีความสุขที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ที่ทําทให้เราสุขให้เราทุกข์อยู่เนี่ยนั่งสมาธิก็จะทําทให้ใจเราสงบเราก็จะมีความสุขครัพระอาจารย์ก็คือคื อ, คอ ป, ปัญญาจะทําให้เราหลุดพ้นได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้เพราะตอนนี้เราเราเร า, เราทุกข์กับเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ เป็นร่างกายนี่เราก็ไปทุ่มกัมนเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นมันเป็นเราแต่ว่ธเจ้าบอกร่างกายไม่ใช่เป็นเราค่คือคื อ, คอปัญญาทำให้เราปล่อยร่างกายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ <c oughs> ปัญญาอย่างเดียว <c oughs> ถ้าไม่มีสมาธิ <c oughs> ส, นสนับสนุนมันก็ไม่มีกำลังต้อง <c oughs> มีสมาธิต้อง <c oughs> มีมวุฒบค่ะแล้วก็ ปัญญาสอนว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราถ้าไปถือว่าเป็นเราแล้วจะทําให้เราทุกข์เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายนี่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นเราแล้วเราเฉยๆหยุดปล่อยวางได้มันก็จะไม่ทุกข์แตเฉยได้ก็ต้องก็ต้องมีอู่เบิก า, า, ามีสมาธิด้วย ปัญญาก็คือให้เราศึกษาเรื่องราว ต, ต่างๆเป็นศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายศึกษาร่างกายไม่มีไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราเออกมาเล่นนั่นพ่อแม่ซื้อตุ๊กตามาให้เราเล่นร่างกายนี้ก็เป็นตุ๊กตาพ่อแม่ทํามาให้เราเล่นกันมีเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคสาธุขอบุณพระบุญาต่อ กสัย์ที่การนัมศสการเจ้าค่ะไม่มีคําถามค่ะเขียนไปที่คนสายทิพย์อาจารย์สายทิพย์อืมค่ะนักสายทิพย์อากมาสารการค่ะนักธรรมศาสตรพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่ขันแก่นค่ะที่ที่ที่ล่าช้าไปหรือเปล่าที่ที่ราตั้งใจจะเข้าค่ะพระอาจารย์พยายามเข้าเข้าไม่ได้ค่ะเหมือนเฟซบุ๊มีปัญหาค่ะ ก็เลยไม่ได้เข้าฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เลยเข้าทางซูมไอเข้าทางไลน์ค่ะหาช่องทางเข้าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรค่ะค่ะอช่วงนี้งานเยอะค่ะพระอาจารย์นอนน้อยเลยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิพอจะนั่งก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยไม่ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วกินข้าวปะ ข้าวกินทำไมกินข้าวได้ทําไมกินข้าวก็ให้อาหารร่างกายนั่งสมาธิก็ให้อาหารทางใจค่ะเหมือนแบบแล้วไม่กลัวใจมันจะหิวว่าะอือค่ะพ้าจานต้องมากินต้องมีเวลากินข้าวได้ก็ต้องมีเวลานั่งสมาธิได้ค่ะเหมือนเหมือนเรานั่งแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยสงบหึกค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็นั่งไป่น่นั่งนั่งไปใช่ไหมคะมันหัดขีจักยานเขี่หม่มขีแล้วก็ล้มบ้างอะไรบ้างแต่ยังไงก็ควรทาให้สม่าเสมอใช่ไหมคะไม่ดีก็ทํไม่ไดชนาญขึ้นพอไม่ดีเลยโอ้ยไม่ทำมันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยาก่ข้าวต่อมันจะทำยิ่งยากยิ่งเหมือนแบบ มันไม่ได้เหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์ยิ่งห่างยิ่งหายเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะอมองใจว่าเป็นเหมือนหน้ากายใจก็ต้องการหายใจสิต้องการอาหารต้องการความสุดน่ า, นานจะเป็นกิเลทพาไปค่ะ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์คะมีเรื่องกระถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์ถามเรื่องเกี่ยวกับอการนอนหลับค่ะพระอาจารย์คือ อ่าแต่ก่อนนี้เราเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยค่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรเราจะรู้สึกตัวตื่นได้ง่ายแต่ว่าตอนนี้คือหลับแล้วมันหลับลึกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาทีเดียวเช้าเลยแบบนี้อันไหนจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีสติหรือดีกว่ากันในเรื่องของการนอนหลับค่ะพระอาจารย์มันก็เท่าบๆกันอะเวลานอนหลับมันก็แทบจะไม่มีสติเลยอือ ไม่ต้องไปกวลอ่ะมันแล้หลับมันจะหลับแบบไหนก็ช่างมันมันแลหลับก็ขอให้มันหลับแบบเต็มที่ดีกว่าได้แจะได้ได้พักผ่อนเต็มที่อ๋อไม่ไม่ใช่ว่าแบบหลับลึกไปเลยนี่แบบก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะวาตอนแรกก็แบบเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะสติเราไม่ดีปกติเผื่อคุญก้อนละเมอเราก็จะได้ยินอะไรเงี้ยค่ะเวมันแสดงว่ามันหลับไม่เฉลี่ยมันก็ได้ยินถ้ามันหลับเฉลี่ยมันก็ไม่ได้ิน ค่ะเพิ่งเป็นช่วงนี้คือแบบไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ดีมันมันจะไม่มีอะไรมากังวลมันก็เลยหลับเต็มที่ถ้ามัมีอะไรกังวลไมีอะไรยังติดข้างค้าใจอยูก็หลับใหเต็มที่ก็ได้ค่ะแต่ว่าทางอ๋อไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราจะต้องพยายามแบบให้รู้สึกตัวอะไรเงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ในตอนเวลาิเราไม่ดีเวลาหลับไม่รู้สึกตัว ให้รู้สึกตัวเฉพาะเวลาตื่นอ๋อค่ะอื้วหลัก็คือต้องการไม่ไม่หลุสลบสลายไปจะไปรู้สึกควรควรจะแบบหลับนิ่งไปเลยแล้วตื่นมาทีเดียวอือค่ะตอนแรกนึกว่าเอ๊หรือไม่เราไม่มีสติเราก็เลยหลับไม่รู้ตัวตอนนี้ไม่มีไม่นอนไม่หลับเพราะไม่มีสติปล่อยให้เปล่อยให้คิดตัวใจไปเรื่อยก็ไม่หลับอือเป็นเพราะว่าเราหมาถงว่า อ่ตัวตอนนี้ก็คือจิตใจเราไม่ค่อยจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องอะไรค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่มีเรื่องให้ไม่มีอะไรมาให้ทุกข์เท่าไหร่ค่ะหรือมีก็ไม่ทุกข์ก็เลยน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ทําทําเท่านี้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามปฏิบัติแม้ว่าจะนั่งไม่ดีก็ตามค่ะพระอาจารย์กินข้าวได้เราก็ต้องปฏิบัติได้ ค่ะพระอาจารย์นึกว่าไม่ดีไม่ทํำเลยไม่ทําแล้วก็เลยไม่ดีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์กินข้าวแล้วไม่อยากจะกินข้าวกินเนี่ยนะบางทีนะกับข้าวไม่อร่อยไม่มีกับข้าวน่ากินก็ต้องกินแล้วรู้ว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะหิวใช่ไหะใช่ค่ะใช่ค่ะกินดีเข้าไปอย่างนั้นก็ได้มันอิ่มค่ะพระอาจารย์นอนนานก็เหมือนกันเวลาอยากจะไม่ไม่อยากจะนั่งก็ต้องนั่งไม่นั่งเดี๋ยวยิ่แย่ใหญ่นะค่ะ ใช่แล น, นมันเย็นมันสบายเพราะเรานั่งเรื่อยๆพอเราไม่นั่งสักพักต่อไปมันจะร้อนกว่านี้เนี่ยค่ะขึะ้นเป็นไฟกันไปก็ได้อ๋อค่ะเอาใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระเจ้าจบอกว่าเพียรพยายามรักษาสิ่งที่เราทําได้ไป้ทำอย่าให้มันโหดท้ายไปเราเพียรพยายามเพิ่มการกระทําะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะ เอาใหม่ค่ะพระอาจารย์เด mm ี๋ยวตั้งต้นให้ดีๆใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะสาค่ะสาทุกรรจัยปทุมธานีบรรจัยนนทบุรีค่ะรค่ะมีอะไรไหมมีมีมีแต่หนูอยากรู้ว่าการที่เราจะให้อภัยคนคนนึง เราต้องให้อภัยเท่าไหร่ถึงจะแล้วเขาไม่รู้สึกอย่างเงี้ยเราควรให้อภัยต่อไหมหรือเราควรจะถอยหลังกลับไปดีคะเอ่อการให้อภัยนี้ไม่ต้องให้เขารู้เราก็เราให้อภัยการให้อภัยเพื่อทําให้ใจเราสงบใจเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่เแล้วค่ า, ฐ า, ฐาพยาบาลไปแต่เขาไม่รู้สึกตัวว่าเราแบบพยายามให้<ม>อภัยเขาตลอดตลอดแล้วเขาก็ทําผิดตลอดตลอดอย่างเงี้ยเราควรคาดเคล็ดไหมว่เาเขาเป็นลูกเราแล้วแต่ ลูกเราก็ให้อภัยมันอีู่เรื่อยใช่ไหลูกมันทําผิดตลอดแล้วก็ไม่ว่าใช่ค่ะคือลูกมันน่ารักเราก็ให้อภังได้แล้วเขาก็ไม่น่ารักแล้วไม่น่ารักจะไปอยู่กับเขาได้ไงตอนนี้ไม่น่ามันด่าเก่งทุกวันหนูก็พยายามพูดพยายามพูดโธพูดโธช่างมันไปมันจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไปมันจะทําอะไรก็ปล่อยมันทำเราควรที่จะสู้ต่อหรือเราจะควรจะถอยกลับดีคะคือถ้ายังต้องอยู่ก็อยู่ไปอยู่แบบ อยู่แบบเฉยๆไปเขาไม่ไปหวังอะไรจากเขาถ้าหวังแล้มันก็จะทุกข์อย่าไปหวังปล่อยเขาเขาจะเป็นหมาก็ปล่อยเขาเป็นหมาไปเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปแล้วก็อยู่ของเราทําหน้าที่ของเราไปอืมคือเราดูเหตุการณ์ตามตามข้อหน้าของเราทีาาาเ่เป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนร่วมบริ ษ, ษ <uc> ัทก็ St. แล้กันบริษัทก็คือครอบครัว เขาเป็นหุ้นส่วนของเราแล้วคือสือปีหนึ่งทั้งปีหลุดออกมาได้แล้วเหมือนเราต้องกลับมาอีกก็คือเหมือนต้องกลับมารับคือทางบ้างเ้าบอกว่ารับกรรมหนูก็หนูก็ไม่รู้ว่าคือกรรมมันคือผลของการกระทําของเราหรือว่าเราเราเราเลือกที่จะอยู่เองหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าเราเลือกมาเอ่ามันเรื่มันมีเหตุการณ์บังครับคุยเลยเลยคุยเลยเอามามา ไปยังไงอ่าอ่าคุยกลับพาอจ้างก่อนกลับก่อนกลับกลับลงต้ก่อนเลยเอาคุยสิลูกหนูต้องเสียบหูฟังเอาเร็วเร็วเดี๋ยวคนอื่นรอหนูชื่ออะไรครับชื่อสุขสันท์ครับอายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบสี่ขวบให้สุขสันต์ตาใ้สุขสันต์ตอยากจะคุยไม่ใา่เลยอ่าสุขสันต์คุยกับดี๋ยไปคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหูฟังออก เนีแต่ไมเด็กไม่โกรธกันนะถ้าเป็ น, นผู้ใหญ่กันวันนี้ก็โกรธกันมายุ่งกำไมฮะพูดจ้ะพูดของตาก่อนโอ้ไม่พูดไ <c oughs> ปแล้วพยายามมองคนที่ไม่มีไม่มีไม่รู้จักที่อะไรไม่รู้เรื่องอะไรว่าเป็นเด็กไปก็แล้วกันคือแบบคือแต่แต่ว่าปากเขานี่โอ้โหแบบ <c oughs> เก่ง <c oughs> มากเลยก็ดี <c oughs> ก็เราต้องทราบไหมว่าวันนี้มันจะพูดอะไรอมันจะพูดอะไรมันมันมันเผาว่ะมันเผาก็ใส่บาทใส่บาทแล้วแล้วมึงได้อะไรมั้งเขาบอกไม่ได้เขาเสียเงินเขาบอกไม่ได้เขาเสียเงินมึงก็รู้อยู่มึงก็เห็นอยู่หนูคิดไม่ใช่ว่ายังไม่ตายยังไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่รู้หนูว่าได้อะไรมันต้องคนเรามันต้องก็ต่เราสอนเขาแล่ไ้เราเราตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตอบมันเชย บอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขสอนให้าทางโง่ทำตามถึงที่ตายายไปได้ไ ร, รไม่ได้ไรกูก็ไม่รู้ะอะมีเท่านี้เหรอคะพยายามเลี่ยงอย่าไปกรเชิญหน้ากันอย่าไปต่ออย่าไปอย่าไปทะลอะกัน<ะ>ทําเป็นโง่บ้างทาเป็นโง่ทําเป็นรุนไม่ชี้ไปบ้างคถ้าต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็แยกกันไป ถาอยู่ด้วยกันไม่มีความศึอยิวไปครับค่ะหนูหนูก็คิดอยู่รอดูเหตุการณ์แต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องอยู่ก็จะอยู่ไปค่ะเดี๋ยวหนูดูเหตุการณ์ทนะ่อนาค่ ะ, ะคาาือแล้วก็ดนะีเป็นการเป็นเป็นการปฏิบัติ ท, ทําไปในตัวเนี่ยในการฝึกขันติฝึกความอดทนอดกลั้นไม่หนู <ไป S 2> ให้อภัยหนูให้อภัยจนคนเขาหาว่าหนูว่า บ้าหรือเปล่ามาร้ายขนาดนี้ยังให้อภัยมันอยู่ได้ก็ดูพระพุทธเจ้าเทวทัต ท, ท่านยังให้อภัยได้พยายามฆ่าท่านสองสามครั้งท่านยังไม่เอาเรื่องมาเราผ่านด่านนี้ได้หนูคงไปบวชได้เลยสบายเลยต่อไปไปอยู่ที่นหนกับใครก็ไม่ไมเดือดร้อนเป็นทที่ดีมากทุกบารมีบารมีไม่เกิดนะทุกบารมีบารมีบารมี มันบ่มีมั่นมนบ่มีบารมีไม่เกิดทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดคแต่แต่จะอยากจะได้บารมีอยากจะได้ปัญญาก็เนี่ยก็ต้องมีทุกมีมานมาคอยผชดพยายามเข้าใจว่านี่มันคือทุกแล้วพยายามเข้าใจว่านี่มันคือสุขทุกก็ต้องรับอะไรให้ได้ใช่ไหมคะถ้าจากไปเราจะแข็งแก่งจากไปเราจะเหตุการณ์ต่าง อเอกยุ่ยแยไม่ไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกมันต้องมีอะไรเยุ่ยแยะให้เราเจอตอนนี้เป็นเหมือนการได้มีโอกาสได้ฝึกได้ซ้อมใช่ไหมถ้าไม่ซ้อมนักมวยไม่ซ้อมขึ้นไปชอมม่องนมวยทีก็นั่งตวคนนั่งไปแต่ซ้อมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นไปก็นั่งขึ้นได้อ๋อค่ะคือเขามีมีประโยชน์กับเราในการในทางปฏิบัติใช่ไหมคะใช่เขาเป็นมาเนี่ย ทำให้เราต้องสร้างบา ร, รมีคือขันีิบารมีเกิดขึ้นมามันทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเกิดมามาทุกมาเจออะไรแบบนี้นเลยใช่ทําไปเจอคนหวานๆเชื่อของอร่อยไม่ต้องเจ็บเลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหนี่คือหนูโชคดีแล้วใช่อหโชคดีแล้วฮะขออคุณพระทรายค่ะโอเคไหมต่อต่อทคุณแมนช่คุณแมนต่อคุณแมนอยู่ที่ไหน ครั้งแรกครับค่บครับครั้งที่สองครับอาจารย์ครับ อ, อยู่ <Hey. S 2> สมุดประการครับโอเคมีคำถามอะไรหมครัก็น่าจะมีสองคำถามนะครับคือคำถามแรกก็คือเอ่อก็พึ่งนั่งมาครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้านั่งเอาแต่พูดโธอย่างเดียวเนี่ยถ้าจารจะให้ลม mm. ก็ต้องต่อด้วยการดูลมหายใจเขา้าถ้าจิตมันถ้าจิตแล้วไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนะแล้วถ้าลองให้มันดูลมหายใจเขา้า ครับก็คือเดี๋ยวคือถ้ามันฟุ้งมากมอย่างเงี้ยก็พยายามมาคิดเสร็จแล้วค่กลับม า, ามพุทธโทรครับแต่กว่ามันจะมันไม่ไม่ฟุ้งแล้วเรากลับมาพูดโทต่อน่าดูลองตอครับครับทีนี้อีกขออีกคําถามครับอาจารย์ก็คือตอนตอนนั่งนั่งทบทวนเนี่ยครับคือสงสัยนิดนึงว่าตัวคําว่าวิญ ญ, ญาณในขันท่าที่เป็นตัวรู้ตามตามไอต า, อ า, ตาหูจมูกลิ้นใจใจเนี่ยครับกลับไปคําว่าวิญญาณที่มัน ที่มันอยู่ถัดจากไอ้ตัวสังขารในปฏิจจสมประบาทมันความหมายเดียวกันนะครับตัวเดียวกันอ๋อพอเป็นเป็นสัาหน้าตัวเดียวครับทีนี้พอมันเป็นวิญญาณผมสงสัยนิดนึงครับพระอาจารย์ว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณยังไงครับพี่อาจารย์คือคําว่าคําว่าเป็นปัจจัยมันไม่มันไม่ได้หมายความว่าทําให้เกิดมันเป็นตัวเป็นเหมือนไปเป็นเป็นตัวที่ไปทำให้มันกระตุ้นให้มันทํางานอะไรนะ อ๋อตอนต้นไปกระตุ้นอ่าคือตอนต้นนวิชาไปกระตุ้นให้สังขารปรุกแต่บมาทำงานปรุงแต่ตงตมันก็ไปกระตุ้นวิญญาณเพราะสาังขารมันมันต้องการที่จะออกไปทางตาหูจมูกนิ้นการอ๋อมันก็เลยต้องใช้วิญญาณไปไ ป, ไปกระตุ้นไปไปไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายอ๋อมันก็เกิดเป็นน้ารูปมันก็ไล่ไปเรื่อยๆครับพอพอไปถึงตาหูจมูกนิ้งกาเมื่อไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นก็ได้ ครับพอรู้สึกเป็นนอดได้มันก็มีสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาเห็นรูปก็เกิดสุขเห็นรูปเพื่อเกิดสุขเกิะทุกข์ึ้นมาแล้วเกิดสุขกิดทุกข์ก็เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาะครับอยากได้อยากได้นี่อยากไม่ได้ขึ้นมาอุปทานนี่อุปทานพอได้ของดีก็ยึดติดครัแล้วพอมันหมนไปก็ป้ญหาใหม่ภาวะก็เกิดขึ้นใหม่ครับแล้วก็ไปเกิดไหม อ๋อครับอาจารย์กระจ่างครับอาจารย์กระจ่างแต่ลผมติดอยู่ตัวนี้มันวนยังไงมันเป็นตัวกระตุ้นแต่ละตัวมันกระตุ้นกันแล้อตัวหนึ่งสั่งตัวที่สองตัวที่สองมาสั่งไปตัวที่สามอไปกันยาวเลยทีนี้ครับยาวไปเลยบาจารย์คําภาษามันแปลมันมันอาจจะฟังคําแปลไม่เข้าใจถ้าปฏิบัติทำมันจะเข้าใจอ๋อครับครับกระจ่างครับอาจารย์ดูเวลาทบทวนมัน จะได้เข้าใจมันให้เข้าใจครับเอเราก็ต้องไปอยู่ตรงที่ตัวตันหานั่นนะครับพอเจอสุขก็ให้ทนาก็อยากไปอยากเจอทุกข์ใหทนาก็อยากไปอยากเมออยากแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์เวลาไม่ได้สิ่งที่เราอยากครับขึ่ได้มากก็ทําให้เราอยากได้เพิ่มขึ้นมาอีกครับตัวนี้ตัวนี้ติดอยู่เยอะเหมือนกันครับก็พยายามลดลดอยู่ครับไปจารย์ครับตัวนี้เข้าใจว่าตัวเองติดเรื่องทั้งทั้งอยากทั้งไม่อยากอยู่หลายเรื่อง ถ้าเราคิดให้เฉยๆอยู่ระหว่างความอยากและความไม่อยากคืออุเบกขาที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิเมื่อครับพอาจารย์จะพยายามทำให้มากๆขึ้นกับอาจาะพยายามจะเข้าไหลทุกอาทิตย์ครับครับครับอาจารย์แล้วนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับคุณยินดีต่อจากเซาแคลิฟอร์เนียอเมริสวัสดีค่ะท่านอาจารย์วันนี้ไม่มี ไม่มีคุณเดวิดสบายดีนะฝากความคิดถึงค่ะเดวิดฝากความคิดถึงด้วยค่ะท่านอาจารย์และท่านเชิญอาจานะท่าอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์ขอบพระทุกค่ะยังก็ไปที่ท่านต่อไปเลยนะค่ะโอเคคุณคุณเอกเป็นเชื่องานไม่ทราบตึงประสิทธิ์นะกลับนวัสมบุญท่านอาจารย์ครับเออพอดี วันนี้ทรายเป็นเป็นของเออใช้ใช้จีเมลไซายเข้าไปแล้วเป็นชื่อชื่อจริงซึ้งมาครับอาจารย์เออไป็นใครใช่ครับหายไปหลายหลายเทิรนเหมือนกันก <c oughs> ็ไม่ได้เข้ามาแต่ว่าอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ก็ฟังอยู่ครับวันวันอาทีตที่ผ่านมาก็ฟังพระอาจารย์กับหมอหมอวีอยู่อ่ะแล้วก็สัปดาห์ก่อนก็ไม่ได้เข้ามาก็ฟังอยู่ครับพระอาจารย์เออดติดตามไปเรื่อยแต่นั้นจะได้มีธรรมะไม่ค่อยคอยเตือนสติเตือนใจไม่ให้หลง ครับผมกระแสทางโลกครับผมเพราะว่าเออผมเองก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับทุกวันอยู่แล้วทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วครับอาจารย์พยายามพยายามยึดแนวปฏิบัติของเราไว้นะให้มันคงอย่าลดละเพิ่มได้แต่อย่าอย่าลนลงครับผมถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มครับผมถ้าลนก็จะถอยหลังครับาเดก็ทไม่ลดนะครับพระอาจารย์ ครับมันคือบางบางทีเหมือนได้ข่าวเอ่อพ่อแม่บวชการที่เสียไปเหมือนลูกผสวัสดเหมือนเอไม่ชีการจนาเสียไปอย่างเงี้ยครับก็มันทําให้เราหวงมาคิดถึงตัวเราว่าอุ้ยต้องรีบแนะต้องรีบปฏิบัติตัวหรือไม่ได้แล้วมันคอยเตือนใจอยู่เสมอว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วอย่างเงี้ยครับเรารีบรีบปฏิบัติเอาเต็มที่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับไม่มีคําถามไม่มีนะ ครับผมเข้ามากาพอาจารนั่งร่วมรับฟังครับผมโอเคสาธุครับผสาธุคนนังนนพัชต์จน้พัชตมันเคยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าภาษาอังกฤษมันเข้ไปอ๋อลูกเข้าทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะพาจารเพราะว่าตอนนี้ทำงานออฟฟิศแล้ว ก็เลยเข้าระหว่างเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าเจ้าค่ะก็ฟังอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ <ะ S 1> แต่แต่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิมากเหมือนตอนที่ฟังที่บ้านเจ้าค่ะแต่ก็ได้จับใจความได้หลายอันอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ได้ซันตะคร้อนไหมเมื่อคืนตะตะคร้อใช่เลยค่ะขาจะแ ต, แต่แต่ลูกเดี๋ยวไปฟังอีกทีค่ะแต่แต่เข้าใจค่ะว่าแต่คนต่างชาติเขาเห็นภาพเลยนะคะเจะ้าค่ะอาจารย์เขาพอาะเขาชินกับตรงนีน<ข>อ้นอยู่ค่ะก็ เรียนเรียนกับเรียนพระอาจารย์ที่ไปเขาชีโอนมาเจ้าขาพระอาจารย์ก็คือที่ที่ผลการปฏิบัติคือข้อแรกคือได้อดข้าวสองสองวันเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่มีไม่ค่อยมีความหิวหรือว่าความอยากอาหารเจ้าขาพระอาจารย์ก็ก็ได้อยู่แต่มันกําลังดูอยู่เจ้าขาพระอาจารย์ว่าถ้าถ้าสมมติมีเวลามากกว่านั้นอาจจะลองอดมากขึ้นแต่ก็ดู ดูร่างกายมันจะมีอาการปร่งๆโล่งๆแต่มันมีอาการปวดหัวนิดหนึ่งเจ้าขาพระอาจารย์ก็เดี๋ยวดูอีกทีเจ้าคขะถ้ามีโอกาสก็ลองคอยสังเกตปฏิกิริยาทางร่างกายว่ามันมันเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามันเป็นปกติก็ก็ทําไปถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็อาจจ ะ, ะพักก่อนหยุดก่อนเ จ, จ้าขาเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอดไปไม่มีความอยากทางจิตใจใช่ไหมเจ้าค่ะลูกก็เลยลองอดตต่ออีกวันหนึ่งมันก็ ไม่มีความอยากกาิตใจเท่าไหร่ก็มีนึกบ้างแต่ไม่ได้มาเป็นแบบก่อกวนนะเจ้าค่ะลูกก็เลยก็เลยมองว่ามันอาจจะดีแต่พอไปนั่งสมาธิมันมีอาการกดที่สมองแล้วก็มีการปวดท้องหนักเหมือนกันช่วงเช้าเนี่ยเจ้าค่ะลูกก็เลยมองว่าเดี๋ยวดูอีกทีว่าถ้ามันทําร้ายร่างกายแบบนี้อาจจะลองลองพิจารณาอีกทีเจ้าค่ะาจารย์ในครั้งต่อไปอก็ต้องคอยสังเกต ด, ดูก็แล้วกันนะไม่อยากไปทําให้ร่างกายมัน เจ็บาข้าได้ป่วยขึ้นมาและการอดนี่ก็อดเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติไม่ได้อดเพื่อทําสถิติโอ้ยได้กี่วันอือมเจ้า hmm. ค mm ่ะบางทีมันดูกเกเรเราให้ไปดูสถิติโอ้ยเราเก่งเว้ยเ้าได้ห้าวันมาได้ <Yeah. S 1> เจ็ดวันเลยอย่างนี้ก <Yeah. S 1> ็ไม่ได้ปฏิบัติเลยมีแต่อดอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ <Yeah. S 1> แบบนี้ก็เสียเวลา เพื่อให้แรงกระตุ้นการปฏิบัติของเราให้ปฏิบัติได้มากขึ้นในง่ายขึ้นท เ, เวลาสังเกตให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมเจ้คาคะพระอาจารย์ว่ามันเอื้ออำนวยต่อการความสงบของจิตใจหรือเปล่าใช่ไหมเอื้ออนวยต่อการเจริญสติเอื้ออานวยต่อการเดินจงกนั่งสมาธิหรือแบบเราเปรียบเทียบกับเวลากินอาหารตามปกติแล้วมันรู้สึกว่าร่างการมันจะหนัก ในน้ําหนักมากขึ้นรถเหมือนรถที่มันทุกของหนักขึ้นปฏิบัติก็ยากขึ้นเดินก็ยากขึ้นในเวลาที่ไม่ได้กินอาหารรู้สึกโตกเบาขึ้นปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องบังคับต้องมัด ต, ต้องปฏิบัติถ้าเ่าอยู่เฉยๆเดี่ยวมันก็ทุกขทุกข์เพราะความหิวถ้าปฏิบัติแล้วความทุกข์ทางใจที่มันก็จะหายไปจ แล้วอย่างอย่างช่วงช่วงที่ดำเนินทําทํางานปกติที่ลูกบอกว่าลูกตอนก่อนห น, น้า น, นี้มันเวิร์กความหัวลูกกินข้าวมือเดียวได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พอไปทํางานที่ออฟฟิศมันเริ่มมีอาการปวดท้องหนักขึ้นในช่วงวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ลูกก็เลยกินสองมือเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็ปรับลองปรับดูก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ลองดู <c oughs> ดู <c oughs> มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะกินอาหารมือเดียวก็ได้แต่มันไม่ก็สังเกต ด, ดูก <c oughs> ันแลกันตอนนี้ค่ะ <c oughs> เจ้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงตอนย้อนกลับไปเรื่องที่เขาชิโอนเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้ลองเดินระเบียงตอนดึกดึกขึ้นก็เดินได้แต่สิ่งที่ทําไม่ได้แล้วก็ที่พระอาจารย์บอกว่าต้องไปเจอของจริงอันนี้ใช่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือการลงไปเดินข้างล่างที่ทางเดินตรงสะพานเาจ้าค่ะพระอาจารย์ในตอนมืดอันนี้อยอมรับกับพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะว่ายังกลัวงูยังกลัวตายยังไม่ การที่เราไปคิดกับการที่เราไปเจอของจริงต่างกันมากเลยเจ้าค่ะพายใจอาจจะได้ดูวเวลาบางทีใจกิเลสมันชอบหลอกเราวเวลาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็บอกโอ้ยไม่กลัวอย่างนู้นอย่างนี้ด้วเมืเจ้าค่ะพอไปเจอของจริงครับเจอสถานที่จริงนั่นนก็จะรู้เองว่วากลัวหรือไม่กลัวค่ะแล้วก็ลูกก็ยังนั่งได้ได้ไม่ผ่านไป ไปเวทนาที่สองเจ้าคะ่ะอันนี้ก็ไม่ทําไม่ได้ด้วยเหมือนกันเจ้าคะ่ะเพราะว่าความที่สติอยู่กับกับพุทโธหรือลมหายใจยังไม่พอเจ้าคะ่ะก็คงต้องฝึกสติมากขึ้นเรื่อยๆเจะะ้าค่ะอาจารย์ตามที่อาจารย์สั่งไวค้ค่ะได้ก็ลองถาไปคะเ พ, พาราะเพราะว่าก็ยังมั่นใจที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามีสติระหว่างวันพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลาไปนั่งมันจะเข้าสงบได้ง่ายเองใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ยังไม่ได้ก็มันคือมาดจังบ่อย ค่ะแต่ตอนอยู่ขอยี่โอ้ลูกเน้นก็เลยเน้นการเดินจงกรมจะข่าวพระอาจารย์ทําได้ดีอยู่จะข่าวพระอาจารย์ถ้าถ้าเป็นเดินจงกรมแต่แต่พอนั่งเนี่ยยังไม่กลับกันนั่งแต่นั่งเนี่ยได้แค่ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังพลาดยังผ่านไปยาวกว่านั้นไม่ได้จะข่าวพระอาจารย์เป็นปัญญาจริญพุทโธพุทโธอะไะค่ะค่ะค่ะสําหรับวันนี้ลูกไม่มีคําถามจะข่าวพระอาจารย์เดี๋ยวก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสจะไปอีก แน่นอนเจ้าค่ะพระไปเรื่อ ย, ะอยน ะ, ะ เ, ปนเป็นที่เป็นที่ช่วยให้เราพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นได้เห็นของจริงเนี่ยคือจะได้ที่ได้ครั้งนี้มากที่สุดเลยเจ้ า, าค่ะพระอาจารย์ขอท่านนีก่อนนะค่ะกราบน้ำพรสการเจ้าค่ะคุณปัทละพงษ์ใช่คุทละพงษ์ทินไหนกูเทพครับพระอาจารย์รรมีอะไรไหย วันนี้เข้ามาฟังก็พอดีว่าจะถามโตมีเพื่อนทําที่ว่าเคยผ่านเหตุการแบบเดียวกันมาก็มาตอบคำถามแทนนะก็มีถ้าอยากกระถามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการน้ำซุปสิบแปดเนี่ยสามารถที่จะอมลูกอมแบบนี้ได้ไหมตอนเด็ดถ้าเป็นน้ําตาลไม่มีนอก็ได้ครับผมเอ้อยอี่ยากหน่อคือผมขอ อ, อนุญาตไปถา ม, มาอาจารย์อีกอีเรื่องหนึ่งก็คือว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปทํางานแล้วผมตกนั่งร้านด้วยน้ําหนักตัวแล้วก็แรงกระแทกอะ่ะก็ทําให้ผมเจ็บหนักอยู่เหมือนกันคือจุกนั่งโอ่นี่จุกไปเลยแต่หน้าตอนนั้นคือแว บ, บแรกที่ผมคิดขึ้นมาก็คือว่าก็เลยไหนๆก็คิดว่าตัวเองจะจะไม่รอดนี่คือไหนๆก็ตายไปเลยก็คือหลับตาหลับตาแล้วก็ภาวนาพุโทโธแต่หน้าตอนนั้นคือพุโทโธได้แค่แว บ, บเดียว ตากฏว่าคำบริกรรมหายไปแต่อยู่ในอยู่ในในในการดับตาที่ผมเห็นก็คือจะเป็นรูป ก, กมลมๆรูกหนึ่งสีทองไม่มีหน้าไม่มีรูปร่างไม่มีแม่ไม่ไม่มีห น, น, น้าตาแต่ในความรู้สึกว่าเป็นลูกกลมๆสีทองแล้วอาการบาดเจ็บที่ผมได้รับหายไปนะ้นในช่วงนั้นประมาณสักห้านาทีจนมีคนมาเรียกมีคือมีคนมาเรียกเราผมได้ยิน ผมได้ลืมได้ลืมตาขึ้นมา อ, อาการเจ็บปวดถึงได้กลับขึ้นมาผมก็เลยอยากจะเรียนถามว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรคนระับก็เมื่กิดที่จิตมันอาจจะพักมันพักสงบตัวมันก็เลยไม่เนวารู้เรื่องกายทางร่างกายได้หรือว่ามันหลับไปหรือเปล่ามันเป็นได้สองเหตุการคือณตอนนั้นที่ผม จำความได้ว่าไม่ได้หลับคือ ม, มีมีสติครบถ้วนรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าคําบริกรรมมันหายไปแน่นอน<ต>ก็อาจจะเปะ็นเพจิตมันสงบน่งช่วงข่าวไไก็ได้สงบนิ้งมันก็ไม่ไปรับรู้เรื่องความเจ็บปวดในทางรา่างกายครับแล้วก็คืออาจารยจริงวันนี้ผมจะมีเป็นผมจะมีปัญหามาถามอาจารย์หลายหลายอย่างแต่เบื้องตนท่านที่ผ่านผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เจอ เจอปัญหาที่ใครทายกันก็มีคนมาตอบแผนนะครับอันนี้ก็เลยยังไม่มีปัญหาที่จะถามอาจารย์แล้วก็ก็ไปท่านต่อไปนะเพราะคนเยอะจะได้คราวที่แล้วตอบปัญหาไม่จดไม่หมดเหมดเวลาก็จำกัดกมะบการนะครับขอขอให้มันรวบรัดนิดหน่อยนะก็อย่าอย่าอย่าเล่ายาวมากเกินไปครับตรงประเด็นเลยครับยปลี่ยนยินต่อยปลี่ยยิง สวัสดีค่ะอาจารย์นวัตการค่ะอยู่ที่ไหนเชียงใหม่เจ้าอาจารย์เงม่มาเคยเข้ามาแล้วหรื่ยเคยเข้าเข้าค่ะแล้วก็หนูฟังทันทุกใบสองค่ ะ, ะแล้วก็ถ้าถ้าไม่ทันก็จะตามมาฟังค่ะภาษาอังกฤษก็เข้าไปฟังค่ะมีคำามไหมไม่มีค่ะจำสมาค่ะอาจารย์จำส า, า, าำเข้าใจ ค่ะพยายามทําตามค่ะเข้าใจเป็นระดับผิวเผินค่ะเพราะว่าไม่ได้เคยปฏิบัติค่ะลองปฏิบัติถึงเสร็จจะได้รับร <c oughs> ู้กว้างขึ้นจะได้ยินได้ยินหลายๆท่านค่ะได้ยินหลายๆท่านถามแต่คือของหนูคือหนูแบบพยายามที่จะเวลาเจอปัญหาก็เอาคําพูดของผาจารย์ขึ้นมาแล้วก็มานั่งนึกอะค่ะแต่ว่ามันมักจะดีเลย์ค่ะเพราะว่ามันต้องเกิดไปก่อนแล้วหนูถึง นึกได้ว่าอ๋อเมื่อกี้หนูคิดแบบนี้มันตรงกับที่อาจารย์เคยสอนแบบนี้ว่าหนูค่อยมานั่งพิจารณาตัวเองมันจะดีเลยกับคนอื่นค่ะแต่โชคนีว่าเริ่มต้นมันกอาจจะช้าหน่อยต่อไปมันอาจจะเร็วขึ้นขอบคุณค่ะต่อไปมันประสบการณ์มันก็เตรียมตัวไว้ก่อนนอกงานว่าเมื่อมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะหนูขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าพี่ๆตัดคลิปอาจารย์เป็นสั้นๆนะคะแล้วก็ออกมาปล่อยหรือว่าเป็นคําพูดที่ปาติดในในเฟซบุ๊กอะค่ะรู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็ ได้ประโยชน์ค่ะบางทีไม่มีเวลาฟังก็มาตามฟังได้แล้วก็ได้เก็ตด้วยค่ะขอคุณคทีมงานก็จะได้ดีใจก็จะได้มีความสุขใช่ชอบมากเลยค่ะที่เขาตัดช็อตช็อตคาพูดของอาจารย์ออกมานะคะแต่ว่าเอมีความต้องการที่จะให้ทําเป็นภาษาอังกฤษแบบช็อตด้วยได้ไหมคะเพราะว่ามีเพื่อนก็มีอยู่มากเริ่มมีอยู่แล้วลองเข้าไปดูในภาษาเข้าไปหน้าภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมถ้ามีเป็นวีดีโอคลิปสั้นๆสองามนาทีหนูอันนี้หนูยังไม่เคยไปดูเลยค่ะ ต้องเสิร์ชคำว่ า, าอาจารย์สุชาติภาษาอังกฤษหนูรู้สึกว่าเพจของพอาจารย์มีเยอะมากแล้ ว, ลวหนูก็งงไนเลยในยูทูบก็มีค่ะถ้าภาษาอังกฤษนี่ก็ตว่าเนี่ยเข้าไปเสิร์ชคำว่ า, าอาจารย์สุชาติพิชากตรงเป็นภาษาอังกฤษย่อให้คุณลาส่งลิงก์ไปให้ดูก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆ ท, ทุกท่านด้วยนะคะคำถามมีประโยชน์มากคะ่ะโอเคใช่คุณสวรรค์ทองตาสวรรค์ทองอยู่ที่ไหน อยู่กระละสินครับอาจารย์อว่ายังไงมีคําถามอะไรไหมเ อ, อ่อวันนี้ไม่มีคําถามครับพยายามเจริญสติอยู่ตลอดครับกําหนดพุทธโธพุทธโธอยู่ครับนอนดีไหมทําให้ใจเบาใจว่างขึ้นไหมก็บางวันก็เบาบางวันก็ไม่เบาครับอยู่ที่ว่าทํามากหรือทําน้อยครับถ้าทำมากก็รู้สึกว่าเบาอยู่ครับพยายามทำให้มากมานะครับผมนองดีมีประโยชน์ชัดภายไใน สมัติของเราที่ได้จริงนะครับอโอเคไปที่ท่านต่อไปคุณโสภณใช่คุณโสภณครับการสังกานอจาร์อยู่ที่ไหนอยู่สัทธิเหติครั บ, รบมีคำถามอะไรมอ่าจะขออนุญาตออ่าสอบถามอาจารย์นะครับใี่ เขาควรพระจแนะนำเกี่ยวกับการเจริญมรณานนสเตียครับไม่ไงลนะ่ะใหแนะนำยังไงคือวิธีการเจริญอนะวิธีการก็นึกถึงมันไงนึกถึงความตายเริ่มต้นก็นึกถึงความตายของตัวเราก่อนครับเเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนึกบ่อยๆแล้วต่อไปก็นึกถึงร่งางกายของคนอื่นคนที่ใกล้ตัวเราภรรยาเรา พ่อแม่ปีนเอาปู่ย่าตายายบุตรธิดาเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยก็พิจารณาไปเรื่อยๆเรจะได้รู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องต้องมีความตายเป็นธรรมด า, วาเวลาจะได้ไม่ไปเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาไม่ไปตื่นเต้นตกใจเพรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหมือนฝนตกแดดออกนีเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะตกใจแล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาตินับตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของท้งวันมันก็ต้องกลับขึ้นสู่ธาตุสี ท, ที่มาของมันมันมาจากธาตุสี พอร่างกายหยุดประหมาดใจธาตุสีก่ก็แยกออกจากรากายไปพิจารณาคือทาให้เราไม่ประมาดให้เราจะได้รีบทําความดีกันทําตามคาสอนพระเจ้าที่สอ น, สอ น, สอนว่าให้ละบาปสร้างกุศลนั่นก็ชราระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจเราไปอย่างมีความสุขไปอย่างเจริญไปอย่างหลุดพ้นจากความทุกข์มากมาย ทั้งปวงมาจะเข้าใจไหมครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับขอาดกลาดอาจาคุณวารีพรารีพรเช่ารีพรอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่กรุงเทพค่ะมีคำถามไหมมีค่ะคือช่วงตอนนี้หนูติดโควิดแล้วก็หายไปเลยไม่ได้เข้ามาเลยจ้าค่ะ คือหนูรู้ปุ๊บความตายหนูไม่กลัวแต่มันเกิดขึ้นมาคือความโลภขึ้นมาคือใจปุ๊บไปนึกไปถึงประกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือหนูก็เลยมีความรู้สึกที่แบบเหมือนแบบว่าตัวเองแบบจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงประกันนิกอะไรแบบเนี้ค่ะเหมือนเราอ่ะไม่มีความโลภเหมือนเหมือนเหมือนมันกดไว้จริ ง, รงๆอ่ะเจ้าค่ะเหมือนมันไม่มีแต่งจริงแล้ ว, ลวคือกิเลสยังเต็มหัวใจไปหมดเลยเจ้าค่ะ มันก็เลยพาให้หนูแบบก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเราได้รู้แล้วว่าเราจะได้ค่อยค่อยคอยกําจัดมันด้วยด้วยผมได้เราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ค่ะพอหนูหนูรู้ว่าหนูติดปุ๊บความตายไม่กลัวแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่อ่呀หนูยังไงนี่ไม่สุดเลยแล้วหนูก็แวบไป น, นึกถึงความโลภพอานี่ความโลภเกิดเลยเจ้าค่ะแล้วก็วไม่เป็นไรพอรู้เราก็หยุดมันได้ค่ะ แล้วพอระหว่างอยู่ในโรงพาบาลเหมือนเราอยู่สบายอะค่ะพอเราอยู่กับคนอื่นด้วยมันเลยทําให้เราไม่ได้ปฏิบัติหนูก็ไหลไปตามกิเลสคราวนี้มันก็ทําให้หนูแบบไหลไปดูโทรศัพท์อย่างเดียวเลยอะค่ะพอพอพออยู่ในโรงพยาบาล้วก็อยู่แต่โทรศัพท์ใช่ไหมเ้าคะ่ะคือไม่ได้กลัวแล้วลงปอดแล้วก็ไม่กลัวแต่พอออกมาปุ๊บหนูมาเริ่มปฏิบัติใหม่คราวนี้มันฟงมากเลยเจค่ะมันไปทางโลกอย่างเดียวเลยหนูพยายามจะดึงก็นั่งก็ ดึงกลับมาช้ามากเลยอะคะ่ะทำยังไงดีเจ้าค่ะใช้พุโทโธเลยลองเท่าพุโทโธพุโทโธไปค่ะมันต้องพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดทําอะไรถ้าเราท่องพุโทโธได้ก็เท่งพุโทโธพุโทโธไปเอี่ยปล่อยใจคิดคิดแล้วมันก็จะไปไกลค่ ะ, คะก็มีเท่านี้นะคะ่ะแต่ที่เห็นก็คือเห็น กิเลสของตัวเองเนี่ยมันมันหนามันเยอะมันมันมากเลยอันนี้ก็เป็นปัญญาแล้วอย่างนั้นเราก็จะรู้ว่าเราจะได้ไม่ประมาทว่าเรายังมีงานต้องทอําอีกเยอะค่ะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนเกลียดตัวเองเลยว่าทําไมเป็นได้ถึงขนาดนี้ทําไมคิดอะไรขนาดนี้ไปเราจะได้ดเห็นความจริงของเราเราจะได้ไม่หลอไม่ได้หลอกตัวเราเองว่าเราคิดว่าเราดีอย่างนู้นอย่างนี้ใชเจ้าค่ะ เหมือนด่าตัวเองแต่หนูไม่ได้บ้า น, นก็คิดไม่ว่าตัวเองด่า ต, ตัวเองก็ด่า ต, ตัวเองไม่เป็นไรหรอกยังไมได่ด่าคนอื่นก็แล้วนะค่ะดีแล้วละแล้วจะได้พยายามดูนะว่าเราจะต้องทําอะไรวนะ่าโอกคเยลยเราเยอะเราต้องรีบคอยกําจัดมันแล้วนะค่ะแล้วก็รู้สึกเสียดายเวลามากเลยผ่านมาสิบแปดวันมัวทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เจ้าค่ะก็กลมากลมาเริ่มทำใหม่ได้ไม่เป็นไรยังไม่กลับมา อย่ประหยัดใช้เชยอยากใช้เชยแล้วไม่กลับมาต้องขยันพูดโทน พ, พูดโทพูดโทพูดโทไปมีเ่าไหร่เจ้ค่ะโอเคนะทุกนนะขอหวังว่าสติจะได้กลับมาเร็วๆนะคุณวางอะไรเชื่คุณวางอะไรไม่มีคาถามเจา้าค่ะไม่มีคาถามเลยโอเคอย่างคุณอะไรนะใจอเลย กายพิีใช่ไหมกายพิสแจกพรแล้วกลับน้องส ก, ก า, รรานครับอาจารย์คร mm ับ hmm. เ อ, อมีมีคําถามครับอาจารย์คือการทําหน้าที่หน้าครอบครัวเนี่ยครับเถ้าเราให้ปัจจัยภรรยาลูกๆอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นทานเหมือนกันไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นเป็นการให้เหมือนกเป็นการทำบุญตาอาจารย์ ทำมุญด้วยในเชิงบางว่ามันเป็นหน้าที่คือมันถูกทำบุญบาถูกบังคับให้ทําเหมือนเสียภาษีอย่างเงี้ยเสียภาษีมันก็ทำบุญแต่มันแต่มันไม่ได้ทำบาตรคือมันทําแล้วมันมีนมผลตอบแทนกลับมาคือจ่ายภาษีก็จะไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตาราดเช่ไหมอ่าดูภรรยาก็จะได้เขาก็จะได้ไม่มามามามารบกวนเรา มันก็ไม่เหมือนกับการทำบุญกับคนอื่นให้แบบให้ให้ไปโดยไม่มีผลตอบแทนรับจากเขามาครับม า, ามันก็ยังเป็นการให้อยู่แต่มันมั น, ม, นมันผลมันไม่เท่ากันให้แบบให้แบบแบบแบบที่เราไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาที่มันจะเป็นบุญมากกว่ามาได้จากการที่ไปให้แล้วเราได้กับตอบแทนกลับมา ได้ลูกได้ภรรยาอย่างนี้มันเป็นสมบัติของเราใกนการเราดูแลสมบัติของเรามากกว่าอืมครับครับคับแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกว่าจะสอบผ่านจะสอบผ่านขั้นแรกนะชั้นอนุบาลคือต้องให้ทานจนหมดทีนี้ถ้าเราจะปฏิบัติให้เสร็จกิจในเพศคาวาสเนี่ยถ้าเราถ้าเราให้ทานจนหมดแล้ว ถ้าเราจะอยู่แบบมักน้อยสันโดษอะไรเงี้ยนะครับขอให้ความให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างตรงนี้นิดนึงนครับคือถ้าอย่างน้องเลื่องตัวเราเองเราก็ต้องมีเงินไว้สําหรับเรี่องตัวเราเองครับอย่างเงินทาวก็ยังจําเป็นถ้าเรายังไม่ได้บวชแต่ถ้าเราบวชนั้นเงินทางก็ไม่รู้จะก็ไม่มีความจำเป็นเพราะที่อย่างฟรีหมดเนี่ยปัจจัยสี่มันฟรีหมดทุกอย่างก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทาง แล้วพอถ้ามีเงินทองมันก็จะกลายเป็นเงินทองไปใช้กับกิเลส ก, ก็ได้อยากได้นมันอยากได้นี่ขึ้นมาพ็มีเงินทองก็สั่งซื้อมาพอไม่มีเงินทองมันก็จะได้ตัดทางนี้ไปอืมแต่ว่าถ้าถ้าเราอยู่ในเพศค า, ารวาาแล้วก็ต้องมี ต, ต้องมีเงินทองก็แค่แค่เลี้ยงตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาไว้เพื่อตอบสนองกิเลสอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องมันม่ว่าสําหรับเรื่องปากท้องปัจจัยสี่ แต่ไม่เอาไปเทีย่ยวไม่เอาไปดูหนังฟังเพลงไปซื้อวีดีโ อ, อซื้อเสียงมาดูาฟังมากินมาดืม่มนะกินก็กินแบบกินด้วยความจําเป็นไม่ได้กินด้วยความอยากกินครับครั บ, รบชัดเจนครับหมดแล้วครับครับขอบคุณครับในความเมตตาครับสาธุสาธุครับคุณสุภาพพรเชิญคุณสุภาพพรอยากกรทม กับนมัส ก, การค่ะพระอาจารยออ์มีค่ะวันนี้มีคําถามค่ะคือเหมือนมีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิไปแล้วอะค่ะแล้วแล้วก็เห็นเห็นเหมือนความคิดอะคะ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนลมเป็นเหมือนหมอกผ่านไปอ่ะคะ่ะผ่านหน้าเราไปแล้วก็ ค่อยๆรู้สึกว่าเห็นผู้รู้อะค่ะพระอาจารย์ก็มันในความจริงการเห็นผู้รู้เนี่ยมันไม่ได้เห็นแบบเห็นหมอกเห็นอะไรมันเพยงแตมันเพียงแต่รู้ว่าไม่มีอะไรใหเห็นอยู่แล้วแต่ผู้รู้คนเดียวใช่ค่ะคือแบบว่าตอนนั้นแรกๆที่ที่นั่งไปอะค่ะเหมือนเรายังเพ่งไปที่ความคิดอยู่อะค่ะแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นว่า ไอความคิดเนี่ยมันมันเป็นเหมือนลมผ่านไปแค่นั้นเองอะค่ะแล้วมันเกิดแล้วมันเกิแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปค่ะก็เลยเห็นว่าเออแม่กระทั่งความคิดเนี่ยมันมันยังเป็นแค่เหมือนลมผ่านไปเลยค่ะแล้วพอสักพักตรงนั้นก็รู้สึกว่าตัวรู้มันเด่นนะคะตัวรู้มันชัดแต่ว่าตอนตอนที่นั่งอยู่อ่ะค่ะไม่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับตัวรู้อ่ะค่ะ ไม่ต้องสนใจละเราต้องการความสงบขณะที่นั่ ง, ต, งต้องการความสุขต้องการอุเบกขานี่ก็จากการนั่งที่ใช้สัมผัค่ะต่ตัวรู้นี่ก็มันไม่มี ม, ม, มันไม่ ม, ม, ไมัไม่มีคุณค่าไม่มีคุณไม่ทั่วแต่อย่างใดมันเพียงแต่ทำให้เรารู้ว่าเนียตัวรู้อยู่ตรงนี้ค่ะทำหน้าที่รู้ค่ะรู้อย่างเดียวแล้วก็เด่นชัดแล้วก็ พอออกจากสมาธิหนูก็ยังหนูก็ยังไม่ได้หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากแต่ว่าพอพอเวลาผ่านไปเป็นวันเลยค่ะถึงรู้สึกได้ว่าเอ๊ะการนั่งของครั้งนี้เนี่ยมันตัวรู้มันเด่นนะคะมันไม่เหมือนกับทุกครั้งเอ่อก็เลยสงสัยว่าเออแต่ว่าผลที่มันได้ค่ะเวลาที่เราไปเจอจิตมีความอยากอะ่ะจิต จะมีความอยากหรือมีความคิดอะไรเราก็ใช้ไอ้ความรู้ที่มันเด่นตรงนี้เนี่ยแหละได้รมันดูเฉยเอมันโกะไปเลยค่ะมันไม่มันไม่ต้องพิจารณาเห็นเป็นไตรักหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นคือมันเอาความรู้สึกเด่นตรงนี้เนี่ยไปโกะดับดับความคิดความอยากไปเลยค่ะมันทําได้เหมือนกันนะคะพระอาจารย์มันทำได้ไหะก็ดีแค่สักแต่ว่ารู้เฉยๆไปเหมือนใครจะทำแต่ว่ารู้ใครจะทำแต่วรู้เฉยๆไป ค่ะเหมือนใครใครทําอะไรให้เราไม่พอใจคือเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันคือหนูรู้สึกว่าไอตัวรู้นั่นน่ะมันเป็นเราอ่ะมันเป็นเราถ้าเป็นเราก็ผิดละเป็นเราผิดใช่ไหมคะ <c oughs> มันทําให้เรารู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราค่ะหนูรู้สึกว่าเออร่างกายนี้มันไม่ใช่เราแต่ว่าไอตัวรู้ที่มันเด่นเด่เนี่ยเหมือนกับว่าตัวูก็ไม่ใช่เราอตัวรู้ก็ไม่ใช่อ๋อค่ะ มันเป็ น, ต, ต, นตัวรูต้ตอนต้นมันก็จะมาหลงติดกับตัวรู้ก็เป็นตัวเราแต่ ต, ตัวรู้มันก็ไม่ใช่เราตัวรู้ก็เป็นแค่ตัวรู้เราเกิดจากอวิชชาสมมติขึ้นมาในใจแล้วมันก็ไปแปะไว้ที่ตนร่างกายเสร็จแล้วมันก็ไปแปะที่ที่ตัวรู้ต่อไปพอมันปล่อยร่างกายมันก็มาแปะที่ตัวรู้ด้วยเสียงเงียบหายไป ยังไงได้ยินเสียงว่าป่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพระอาจารย์ได้ได้ยินค่ะอัาโอเคพอใจไหมแล้วแล้วเวลาที่เราเกิดเกิดทุกข์แล้วเราเอาความรู้สึกนี้เนี่ยมามาดับดับทุกข์เลยอย่างนี้ได้ไหมค ะ, ะมาชนทุกข์เลยได้ไหมคะก็ทำเลยมาถามเราทำไมมันมันมีคนถามก็ลองทํามเลย หนูทําได้เพราะว่าหนูคิดแบบนี้ค่ะว่ามันมัน็ว่าว่าถามเข้าไปหมายค่ะว่าคือถ้าเกิดว่าเราทําได้แล้วมันมันไม่ถูกทางก็กวกไม่ไม่กล้าทำนะคะพระอาจารย์มันการปฏิบัติก็เพื่อให้ดับความทุกข์ล้วมันดับได้มัถูกค่ะอ๋อคือเพราะมันดับได้ค่ะอย่างเช่นว่ามีใครมาพระพุทธเจ้าไปถามใครที่ไหนนะพระพุทธเจ้าเวลาปฏิบัติท่านถามไครว่า ไอ้ทุกมันดับได้ทําอย่างนี้มันทุกมันดับได้ใช่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปถามใครพระเจ้าก็รู้ว่าวิธีนี้ดับทุกได้ก็โอเคให้รู้เฉยๆนะให้สัตแต่ว่ารู้เฉยๆเยสียงปัญหาอะไรก็ไม่ได้ินไม่ฟังฟังบุคคลาอาจารย์เพียงแต่ว่าเงียบๆคือไม่ค่อยเข้าใจค่ะยังยางไม่เข้าใจค่ะได้รู้เฉยๆดูถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุก แต่ถ้าเราเราไป ค, าคิดว่าเป็นนุ่นเป็นนี่มันก็ทุกข์ขึ้นมาคิดว่าเป็นเราเป็นเขาคิดคิดว่าดีคิดว่าชั่วเป็นแบบว่ามันก็ทุกข์ขึ้นมาเช่นเสียงเนี่ยเขาด่าเราถ้าเราไม่ไปคิดว่าเป็นถ้าเราไม่ไปคิดว่าเขาด่าเราเราก็ไม่ทุกข์มันก็เป็นแค่เสียงเองค่ะถึงตอนนั้นถึงตรงนั้นเน้ยอย่างเห็นได้ว่าใครด่าก็ ม, มันก็เป็นแค่เสียงใครชมมันก็ไปแค่เสียง ให้รู้เฉยรู้เฉยมันก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับเสียงไม่ทุกข์กับรูปไม่ทุกข์กับเปลี่นนยนลดปวดตะพ้าต่นงให้รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์ถ้ารู้ว่าเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์้นมารู้ว่าดีรู้ว่าชั่วขึ้นมามันก็จะทุกข์้นมา อาจารย์นนะเอาไปคิดดูก็แล้วกันแล้วคุณบอกคุณใช้ตัวรู้นี่หยุดความทุกข์ได้แล้วมันหยุดด้านด้านจริงหรือเปล่าคื อ, อคือคือตอนนั้นที่เอาไปหยุดความทุกข์เนี่ยเหมือนคือเหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าตัวรู้นี่จะเป็นตัวเราเพราะว่าคือตอนที่นั่งสมาธิไปค่ะพระอาจารย์มันเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งความคิดที่เราแบบบางทีนั่งจริงๆสงบไปแล้วบางทีมีความคิดมา ความคิดที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นความคิดมันยังเป็นมันยังใหญ่อยู่อ่ะค่ะแต่ว่าพอที่เราอยู่กับตัวรู้แล้วเนี่ยหนูเห็นว่าความคิดมันก็เป็นแค่ลมผ่านไปอ่ะอืมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอหรือว่าตัวรู้นี่จะเป็นเราพอรู้สึกว่าตัวพอลง ไ, ไปไม่มีตัวเราสัพเพ昙 น, รรนตาตาพรเจ้าทําน้ํงบวงไม่มีตัวตน แต่ตัวลูกก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราตัวคิดเราแบบเราตัวรูกไบเราเตัวเราไปแปะที่ตัวรูกเราไปคิดที่ขึ้นมาเองว่าตัวรูกเป็นเราอ๋ออ๋อค่ะตัวตัวเราก็ความคิดก็ไม่ใช่เราด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ความคิดก็เป็นความคิดความคิดก็เป็นความคิดอ่ความคิดก็เป็นความคิดมนลมลมมันก็เป็นลมลมเป็นเราเปล่าไม่เป็นค่ะผลมันเป็นเราเปล่า เป็นแต่ว่าจิตจิตมันก็นละวิชามันคล้องกันมันกล่องเราจะตั้งให้ที่ว่ามันเป็นเราไปหมดเนี่ยขันห้าเป็นเราไปหมดมันมีขันห้ามันไม่ได้เป็นเราร่างกายก็เป็นร่างกายเนีเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณไม่มีเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีเราในดินน้ํำลมไฟไม่มีเราในลมไม่มีเราในน้ํา เราไปปรุแต่งใช่ไหมว่าเป็นเราเราอยู่ในน้ําเราเป็นน้ําเราเป็นลมเนี่ยเราก็ว่าตัวนี้เป็นเราขึ้นมาเราก็ว่าร่างกายเป็นเราขึ้นมาดังนั้นการปรุงแต่ง<ม>เป็นความคิดความหลงถึงต้องใช้ปัญญามาแก้พิจารณาเข้ า, าใจไหมวันนี้หนูไปกับพระอาจารย์เนี่ยหนูหนูก็ใช้ความคิดใช่ไหมใช่ <laughs> ก็ใช้ความคิดเใช้ความคิดเออ แล้วก็ใช้เราใช้เขาแต่เป็นแ ต, แต่ถ้ามีปัญญาก็รู้ว่ามันเป็นเพียงสมมตุติคุยกันมันก็ต้องมันก็ต้องสมมุติว่าเราเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแต่ไม่ไปยึดไปติดกับคําว่าเราว่าเขาเพราะความจริงมันไม่มีมันเป็นสมมุติะอันนี้นต้องไป ไ, ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปนั่ง วิเคราะห์ดูไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆถ้าเข้าใจเพรามันกำลังรู้แล้วเนี่ยโซดาก็เกิดขึ้นนะแต่เข้าใจขันท้าเป็นอนัตตาไม่ใช่หรือตอนนี้สักกายะทิฏฐิมั น, นยันงครอบงำจิตใจอย่ยังไม่คิดว่าสักขันท้ายังเป็นเราเป็นตัวเราอยู่เข้าใจไหมค่ะต้องจิตต้องรวมเป็นเอกเอกฆ์กระตาลมจริงๆต้องเป็นอุเบคาต้องเป็น เป็นฌานสี่นะสักแต่ว่ารู้นะมันทังยามันทังยาเข้าถึงความจริงของของความจริงทั้งหลายแล้วไม่มีตัวตนพอหยุดจิดปรุงแต่งนะมันก็มันก็รู้ตัวตนหายไปหมดตัวตนในร่างกายก็หายไปตัวตนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็หายไปตัวตนในตัวรู้ก็หายไปเพราะมันไม่ปรุงแต่งขึ้นมาพอปรุงแต่งขึ้นมามันก็กลายกันเราไปหมด เาจารยนะเราไปพิดณาแล้วปฏิบัติดูถ้ายังไม่เท่าถ้าจิตยังไม่นมแขงชันเรื่องมเบขามันก็มันก็ยังไม่เห็นคามจริงมันยังเป็นสัญญ า, ย, ายังไม่คิดปรุงแต่งเป็นสัญญาสงางกายจินตนาการค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคนะค่ะมีเท่านี้ค่ะ ไ, ไปที่ขนทนาฝต่อขทนาฝนใช่ มีที่เห็นหน้าอยู่ข้างหน่อยครับอีรการ์ามาไปามคนม่ด้ไม่มีคำถามก็้วไปดีมุมมุมของกล้องมันไม่พอดีมันครับครับไม่มีคำถามเลยนะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอ้เรื่อิะเสโอเคคุณสุทธาเสนเชิญตาคุณสุทธาเนอยากกระทุกมทาน ค, คุณ<า>น้องไม่มีคําถามทช่นเดียวกันนะไปที่คุณมันทิกาแชร์คุณมัิกานมามสการค่ะหนูมีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะพอาจารย์เวลาหนูนั่งมันจะรู้สึกหน่วงตรงนี้กับตรงนี้ค่ะเมื่อกี้แม้กระทั่งในการใช้ชีวิตประจำวันบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองอ่ะค่ะมันจะหน่วงที่จมูกหรือมันเหมือนกับ ต้องการนั่งสมาธิแต่เรายังอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่ทํางานอย่างอื่นอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่หนูเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วการเดินสมาธิที่สุขที่ถูกมันจะต้องไม่เพง่งหรือว่าไปโกดดันตรงไหนถูกไหมคะแต่หนูยังหาวิธีแก้ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มัต้องเพง่งเวลานั่งสมาธิต้องเพ่งเวลาเจรินสติต้องเพ่งต้องกาหนดให้รู้อยู่กับอาการใดากัน ้จนอาการได้มันเกิดขึ้นมันก็ปล่อยมันเกิดขึ้นไปเหมือนมันเวลามันมันมันคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ปล่อยคันไปแล้วมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในระหว่างที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิตรงเนี้ค่ะเราปล่อยมันไปเฉยๆหรอคะถ้ามันไม่มารบกวนเรามันไม่เป็นปัญหากับเราก็ปล่อนไปถ้ามันเป็นปัญหาหนักจะต้องไปหาทามหมอว่าเป็นอะไรหรือเปล่า มันอจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่ได้เป็นเรื่องของจิตใจไม่ไหรื อ, อถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องของจิตใจก็ปล่อยมันเนี่ยท่านเดี๋ยวมันหายไปเองก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ว่าหนูไม่ได้ทําผิดทางใช่ไหมคะก็ก็หนูตอนที่ที่มันเป็นตอนตอนที่มันเป็น้นหนูกําลังทําอะไรอยู่ บางทีหนูนั่งอยู่เฉยๆหรือว่ากําลังอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็จะรู้สึกเหมือนกับอมีพลังหน่วงๆอยู่ตรงจมูกค่ะแล้วมันก็ถ้าถ้าบางครั้งเนี่ยถ้ามันหน่วงแรงแล้วหนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูจะรู้สึกเหมือนมันเป็นหลุมลึกลงไปแล้วพอรู้สึกตัวก็จะก็จะสะดุ้งขึ้นแต่ว่า ตอนนี้ที่หนูเป็นคือว่ามันเป็นในชีวิตประจำวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นขึ้นมาเองมันเหมือนแต่หนูก็ไม่ได้นั่งสมาธิต่อเงี้ยค่ะหนูเลยไม่รู้ว่าหนูทําผิดหรือเปล่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้อะค่ะถ้ามันเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันเป็นปัญหาหรือป่าถ้ามันไม่เป็นก็ช่างมันไปเลยที่มันเป็นเนื้อของร่างกายไปมันกิขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดับไป เราก็ไม่ทำไปสนใจมันก็มันต้องหายไปเองใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันหายตอนนี้มันตอนนี้มันอยู่ก็แบบเมื่อกี้ก่ตอนที่นั่งฟังท่านอื่นถามพระอาจารย์เนี่ยหนูยังมีอาการอยู่เลยค่ะพระอาจารย์ก่อนที่จะเข้ามาในเนี้ก็มีอาการแล้วก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่าฟังอย่างสบายสบายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนตอนนี้ยอาการหายไปแล้วมันคือพระอาจารย์เนี่ยค่ะ หนูก็เลยไม่รู้ว่าพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปแล้วเนี่ยาวมันไม่เที่ยมมีเกิดมีดับอันั้ตาเราไปไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปค่ะพระอาจารย์ไม่ต้าไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้ามันเป็นอาการเหมือนกับที่ต้องไปหาหมอก็ไปหาหมอแต่ถ้ามันถ้ามันไม่ถึงขั้นต้องไปหาหมอก็ไม่ต้องไปยุ่ง ถ้ามันมาเองครับมันไปเองแล้วมันไม่ทําให้เราเจ็บไายได้ตัวยใจอย่างใดก็ไม่ต้องไปยุ่งอ่อแล้วเหมือนเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาบางครั้งมันเหมือนพอเราดูลมมากๆนี่ค่ะพระอาจารย์มันจะรู้สึกเหมือนเป็นจุดตึงอยู่ที่จมูกหรือว่าที่ระหว่างคิ้วอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วยังเหนตรงนี้ม น, น, น, นก็เป็นเป็นธรรมดาเวลานั่งสมาธิมันบางทีมันเกิดการต่อสู้กันจิตมันไม่ยอมอยู่นิ่ง พอเราลเข้าไปมันอยู่นี่งๆมันก็เลยสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้อ๋อก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพัดจะเป็อ า, าการตึงเครียดขึ้นมาอแต่เรานั่งดูทีวีนี่ไม่ค่อยเป็นวันให้นั่งดูลองนี้มันจะเป็นขึ้นมาค่ะพัดเนื่องจากเกอเร็ิมันไม่ชอบมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆมันชอบท ำ, ทำนู่นทํานี่ชอบดูนั่นชอบฟังนี่พอมันได้ทำตามสิ่งที่มันชอบมันก็ไม่มีอาการ แต่พอาให้มันทําในสิ่งที่ไม่ชอบขึ้นมามันก็เลยสร้างอาการขึ้นมามาแกล้งเราง่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะขบอขบคุณค่ะหมดคําถามแล้วค่ะไปที่คนมาลีกลับมาลีใช่กลับหลวข้าขหลวงพ่อหลวงพได้ยินหนูไหมคะ<ช>ดังนะ วันนี้หนูก็ไม่มีคําถามเพียงแต่ว่าเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูไปอยู่วัดมาค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเย็นมีพักประมาณครึ่งชั่วโมงสองครั้งอะคะหลวงพ่อก็ช่วงแรกก็ไม่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ค่ะพอตอนปลายๆก็ดีค่ะช่วงช่วงเย็นนะคะแต่ว่าทุกครั้งมันจะเหมือนตกหลุมตกอากาศอะไรเงี้ยแล้วแล้วถึงจะเงียบไปเงี้ยไไค่ะหลวงพ่อ ได้เวลาจิตสงบมันจะมักจะมีอาการแปลกๆปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วหนูสังเกตว่าตอนที่มันจะสงบอ่ะมันจะแบบมันจะตกแบบเนี้ยเกือบเกือบจะทุกครั้งเลยค่ะหลวงพ่อแล้วถึงจะสงบได้เนี่ยได้ก็ไปก็ไปมันตกไปไม่ไม่เป็นอะไรใช่มครัไม่เป็นอะไรเป็นดีลาของมันจิตมันเวลามันสงบตัวแล้ทีนี้ก็มีมีการแสดงดีลานิดหน่อย หลวงพอ่อพอไปอยู่วัดนะ่ะมันปฏิบัติได้ดีได้เยอะแต่พอกลับออกมามันก็ได้น้อยเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะคะทําทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแหะถึงคนที่อยากจะได้ปฏิบัติได้เยอะๆก็เลยต้องไปอยู่วัดเป็นโบสถ์หนูก็พยายามที่จะทําแต่ว่าในชีวิตประจําวันนะ่ะมันก็ยังต้องทํางานทําอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อก็ต้องทําก็ทําไป เราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนขนับรถยังขึ้นทางหลวงไม่ได้เป็นใต้ทางหลวงย่างต้องถัดไปเรืกก่อยๆกันไปไปได้ไปได้เป็นแค่เป็นบางวันเดี๋ยวต้นเดือนหน้าหนูหนูจะไปอยู่วัเดเอือกค่ะหลวงพ่อวันวันเสาร์วันอะถ้ า, ามีเวลาเมื่อไกร่ก็ไปเลยเหมือนกับขับรถเนี่ยพอมีเวลาขึ้นทางหลวงนะ่าขึ้นเลยพอพอไปไปแล้วหลวงพ่อมันรู้สึกว่ามันแบบมันดีอะมันเก็บได้เยอะอะไรเงี้ยค่หลวงพ่อพอออกมา มันก็แผ่วลงไปแต่ก็พยายามที่จ ะ, จะเจริญสติอยู่ว่าถ้าเราเราทุกข์เราอะไรก็ที่หลวงพ่อสอนคือให้หนูไมาอยู่กับพุทโธอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่ทําใจให้มันทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เหมือนมันก็ช่วยได้แล้วก็ไปฟังเทศหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือพยายามให้ไม่ให้มันห่างอะคะ่ะหลวงพแล้วพอมีเวลาหนูก็จะวิ่งเข้าไปปฏิบัติที่ ที่ที่วัดที่ได้เยอะๆอะไรที่ที่มันสงบ อ, อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ดชถูกต้องเมื่อมีโอกาสเข้าไปถ้าไม่มีโอกาสกา็ต้องทําท่าที่เราทาได้ค่ะหลวงพอ่อวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรค่ะโ okay. อเคเด็กก็ฟังไปเรื่อยๆนะค่ะหลวงพอ่อขอบพระคุณหลวงพอ่อค่ะใช่บารมีพรบารมีพรเจนอยู่ที่ไหนจำนามสการหลวงพ่อค่ะคืออยู่จังหวัด น, นนทบุรีค่ะ มีควนนนานไะด้วันนี้มีคำถามแต่ก็จะเหมือนที่คนเมื่อกี้ก็คือว่าตอนนี้ทำสมาธิแล้วค่ะมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างตรงหน้าผากอะไรอย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าแต่จริงๆก็คือเราก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะก็คือมไม่ต้องสนใจรอดูแลก็ปล่อยวางไปทำมันเป็ น, ป เ, ปนเป็นอนิจจรงทุกคังวันนัดตาบเ ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเวลาปฏิบัติบางทีสมมตินั่งสมาธิปุ๊บเราจะหาวแล้วเราก็จะน้ําตาไหลอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ค้นพบว่าเพราะว่าจิตเรายังไม่นิ่งพอเราต้องตั้งใจมากขึ้นมันก็จะข้ามตรงนี้มานะคะหลวงพ่อก็คือทําถูกแล้วใช่ไหมคะถูกต้อ ง, องค่ะแล้วก็ก็คือทุกพรรษา น, นี้ค่ะตั้งตั้ ง, ต, งตั้งอ จ, จิตอธิษฐานว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พยายามก็พยายามทําได้นะคะแต่ทีนี้ด้วย จะถามปรึกษาหลวงพ่อว่าในอนาคตเนี้ยเราควรจะเพิ่มให้มันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงไหมคะได้เพิ่มได้เท่าไหร่ ย, ยิ่งดีสหรับการนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงอะไรก็ได้นู่นั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงสลับไปหลวงพ่อคะข้อสุดท้ายอะค่ะก็คือตอนเนี้ยค่ะเห็นกิเลสตัวเองว่าเหมือนบางทีเราทํางานทั้งวันใช่ไหมคะแล้วพอเราเลิกปุ๊บเราอยากพักเนี้ยเราก็จะเป็นแบบเล่นเกมถ้าบางทีเรารู้ว่าเล่นเกมไม่ดีเราก็จะ ไปแบบเอฟกระเป๋าเอฟเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนมีกิเลสตลอดเวลาเลยเงี้ยเราจะทํายังไงให้แบบกิเลสมันน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อปิดเครื่องไว้เลยปิดเครื่องคือคือแต่ก่อนนนูดีลิฟตแอปเลยนะไม่ถึงว่าแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าแอปเกมนี่ยมันอยู่ใน shop ปีอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าเราก็ต้องใช่ใช่ใช้เฉพาะท่าที่ยังเป็นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปอย่าไปแตะมัใช้ไว้สื่อสารไม่ใช่ทํางานใช้ติดต่อธุระ ส่งข้อหายอีกข้อนึงนิดนึงว่าแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราสามารถฟังธรรมไปด้วยได้ไหมคะหรือเราควรจะนั่งสมาธิแบบนิ่งเงียบเลยดีกว่าก็ถ้าเราต้องการนั่งสมาธิ่จิตไม่เงียบเราถ้าไม่ต <men asan> ้องฟังธรรมเรานั่งได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ธรรมะบางคนนี้นั่งไม่ได้ก็ต้องใช้การฟังธรรมช่วยกอมจิตค่อนก็แล้วแต่ หมดแล้ว ค, ค่ะครการฟังธรรมนี้เป้าหมายหลักก็คือให้เราได้เกิดปัญญาให้เราได้เรียนรู้ว่าธรรมะต่างๆมีอะไรบ้างแต่ถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องใช้การฟังธรรมแต่บางคนนั่งสมาธิเองไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมก็ช่วยเกี่ยบจิตได้ในระดับหนึ่งหลวงพ่อค่ะแล้วบางทีตอนนี้นั่งสมาธิอะค่ะบางทีจิตมันจะวุบแล้วเหมือนหลับไปเลยอะ จริงๆเราควรจะกับมาดึงจิตและให้อยู่กับทภพโทและอยู่กับ ค, บความว่างให้ได้นานๆใช่ไหมคะเราไม่ควรเข<ช>้สมาธิลึกใช่ไหมคะคือเข้าได้แต่อย่าหลับถ้าหลับหลัแบบนี้ไม่ไม่ใช่เป็นสมาธิเ <Okay. S 2> ข้าสมาธิลอกได้ดีแต่ต้องเป็นสติรู้สึกตัวตลอดเวลา<อ>แต่ไม่ควรหลับค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนั่งนั่งก็ต้ให้จิตเข้าสมาธิลึกๆเพรายิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งมีความสงบยิ่งมีพลังมากขึ้นนะคะ เข้าใจนะครับคุณค่ะเข้าใจค่ะอ okay. ไปที่คุณกา l ล็กซี่โน้ต10เจคอบนะคคมมจุกสวัสดีค่ ะ, ะอาจารย์มีคำถามอะไรไหมอยู่ที่ไหน อยู่อยู่กรุงเทพค่ะเมื่อเช้าที่หนูไปพัทยาแล้วหนูได้มีโอกาสใส่บาทอาจารย์ว่าหนูมาจากฝรั่งเศสค่ะแล้ว uh huh. วันนี้หนูก็กลับมาฟังได้ฟังพระอาจารย์จากกรุงเทพแล้วปกติฟังจากที่นู่นค่ะ uh huh. อยู่ที่เมืองไหนที่ฝรั่งเศสอยู่ที่สตนส์บุกค่ะติดติด uh huh. กับเยอร ม, มันค่ะ uh huh. พระอาจารย์จะกลับไปเมื่อไหร่เออวันที่สามสิบค่ะ uh huh. มาเยาี่ยมบ้าน มาเยี่ยมคุณแม่ตอนนั้นเคยที่ตอนนั้นเป็นทุกข์อยู่ภักนึงเรื่องคุณแม่เพราะว่าหนูหนูกลับเมืองไทยไม่ได้แล้วก็เป็นห่วงคุณแม่แล้วก็เคยได้ปรึกษาธรรมะกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็สอนแนวทางปฏิบัติว่าให้วางใจยังไงให้เราไม่เป็นทุกข์อะค่ะก็ก็ฟังพระอาจารย์มาตลอดเวลาที่ที่เออหนูไม่ได้ทํางานทางนู้นและตรงกับตรงกับช่วงที่พระอาจารย์ z ูม m อะค่ะ แล้วก็เลยเคยบอกพระอาจารย์ว่าถ้าเกิดกลับมาเมืองไทยมีโอกาสก็จะไปกราบพระอาจารย์ที่วัดตอนิภพาคุณแม่ไปเที่ยวพัทยาเมื่อวันสองวันนี้เมื่อเช้าก็เลยขับรถจากโรงแรมไปไปใส่บาทพระอาจารย์ค่ะคำถามอะไรัหมไม่มีค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวฟังท่านอื่นๆแล้วก็จะเอาความรู้ไปปฏิบัติค่ะโอเ ค, อคไปที่อาจารย์ต่อไปนะที่ติปงคนที่ติปงชัน อีไหนทีติบผมอยู่จังหวัด ต, ตากครับพระอาจารย์ครับอมีคําถามไหมอ่ามีครับผมกับนวัต ก, การท่านพระอาจารย์ครับผมคือคําถามของผมนะครับผมก็ได้ปฏิบัติตามอวิธีการนะครับที่ท่านอ า, าจารย์ได้ได้ชี้แนะให้นะครับจนตอนเนีนะ้ผมปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งครับจน รู้สึกว่าเกิดนิพพิทาขึ้นมาเห็นอะไรก็เบื่อหน่ายไปหมดครับจึงมีความรู้สึกที่อยากจะออกบวชครับอาจารย์มาสักระยะหนึ่งจนทําให้ตัวเองเกิดเป็นทุกข์ขึ้นทางใจเพราะยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่ครับอาจารย์มีแม่มีภรรยามีลูกแต่พอผมปฏิบัติผมจะเข้มข้นมากผมจะนั่งปฏิบัติไหวพระสวดมนต์ไม่ออกจากห้องเลยจนบางครั้ง อ่าหน้าที่ในทางโลกบกพร่องไปเลยครับเพราะว่ามามุ่งหน้าที่ในทางธรรมจนทุกวันนี้ยผมกลายเป็นทุกทางใจเพราะอยากจะออกบวชครับก<ต>็เลยจะขอทีแนะจากผูาจารย์ว่า ต, ต้องดูฐานะของเราตอนนี้ว่าเราอยู่ตรงไหน่ตอนนี้เรายังเป็นผู้ครองเลินอยู่มีความรับผิดช อ, อบต่อครอบครัวเราก็ต้องรักษาทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเวลาว่างเราก็มาปฏิบัติ เท่าที่เราจะปฏิบัติได้ใชจครับรที่เราจะสามารถมีช่องทางหรือมีวิธีที่จะทำให้เราไปด่วนได้เราค่อยไปตอนนี้ถ้ า, ายังไปไม่ได้ก็ต้องอยู่เชื่อบริตอนนี้เรายังติดทุกข์อยู่ก็ยังไม่ปล่อยให้เราออกจากทุกข์ครับแต่สิ่งที่ทำทุกวันนะครับพระอาจารย์ครับมันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเห็นอะไรก็เบื่อหน่ายไปสมหมดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงาน จนทําให้แบบจิตใจเป็นทุกข์ครับอาจารย์ครับอยากจะออกบวชจะย่างเดียวเลยครับตอนนี้มีความคิดอย่างนี้ครับครับก็ต้องทําใจให้สงบบ้างเพราะเพื่งให้มันฟุ้งซ่านคิดแบบนี้มันฟุ้งซ่านก็ได้นะครับเออถ้ามันคิดแล้วมันทุกข์แสดงว่ามันไม่ใช่นิพพิทาทิแทจิตนิพพิทาทิแทจริงมันจะไม่ทุกข์มันจะรู้สึกมันมันเบื่อหน่าย แต่มันไม่ถุกอข์ถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่าจิตมันกายเป็นกิเลสไปแล้วมันอยากจะทําในสิ่งที่มันยังทําไม่ได้มันก็เลยเป็นเครับแต่ถ้ามันการเบื่อนายก็รู้ว่ามันไม่มีสาระคุณค่าปอะไรกับเราเลยอยู่ไปวันๆหนึ่งอะทํานองนี้แต่ก็อยู่กับมันได้มันอยู่ทําได้ เพราเรายังต้องอยู่กับมันแล้วคิดอย่างนี้ครับมันก็จะไม่มันก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันทุกข์เราก็นออั่งหยุดนั่งสมาธิบ้างทำจิตให้มันสงบหยุคิดบ้างให้จิตมันกลับมาเป็นปกติบางที <นะ S 2> ผ ม, มก็นั่งสมาธิครับอาจารย์ครับนั่งใช้อ่าหยุดความคิดครับแล้วก็นั่งใช้สมถะวิปัสสนาครับเออแค่นั้นทำอย่างนั้นไปนเพื่อจะได้ทําให้ ครั้เสร็จเรือดายมันน้อยลงครับแล้วก็บางทีก็มาฟังธรรมะที่อ่าพระอาจารย์ให้มาครับที่อยู่ในแฟลชไดร์ครับตอนนี้ฟังไปสี่ร้อยกว่าเรื่องแล้วครับอาจารย์นะอ๋อครับในในเว็บไซต์เลยในอะไรในแฟลชไดร์ที่ที่ไปเอามาจากวัดครับอาจารย์ครับผมเคยไปกจับในมรดการในบ้านอาจารย์ในได้์เลยแฟได้ครับแล้วก็ได้หนังสือมาครับ ได้นังสือของพระอาจารย์มาเล่มหนึง่งนังสือเปิดใจเปิดธรรมเล่มสีฟ้าครับผม<อ>ซึ่งอ่านจบแล้วก็เกิดความเลื่อมใสพระอาจารย์อย่างอ่าที่สุดไม่ได้ครับ <c oughs> เห็นประวัติชีวประวัติของพระอาจารย์จนถึงวันนี้ผมยิ่งเลื่อมใสแบบสุดๆเลยครับไปกันใหญ่แล้วแบบในใจเกิดมิพพิธาขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นอปฏิปทาของพระอาจารย์แล้วผม สุดสุดที่จะพูดางงจากหัวใจครับแบบเป็นที่อ่าที่ผมเคารพนับถือที่สุดนะครับตอนนี้ครับก็พยายามศึกษาดูแบบฉบับแล้วก็นํามามาปฏิบัติท้าที่เราจะปฏิบัติได้ในขณะนี้แต่รเราก็ต้องยอามรับว่าตอนนี้เรายังมีความมีพนันธะการณีอะไ ร, รมีหน้าที่ที่เรายังต้องทํา ก็อย่าให้มันบกพร่องทางหน้าที่เพราะมันบกพร่อมันก็จะทําให้เรายิ่งมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นไปใหญ่ครับตอนนี้เราต้องรู้จักแบ่งแบ่งแยกเวลาเวลาทําหน้าที่ก็ท <Yeah. S 1> ําให้เราเต็มที่เวลาปฏิบัติก็ทําของเราให้เต็มที่เกิดความเบื่อหน่ายถ้ามันเบื่อหน่ายแบบทําให้เราทุกข์ก็จะต้องหยุดมันมันไม่ใช่เบื่อหน่ายที่ถูกต้องเบื่อหน่ายที่ถูกต้องต้องนี้ช่วงนี้ปฏิบัติได้เต็มที่ครับ ช่วงนี้ผมจริงๆแล้วผมเป็นครูครับไม่ได้ไปสอนสอนออนไลน์บางทีไม่ค่อยได้ ไ, ได้ไปสอนตามโรงเรียนก็เลยมีเวลาปฏิบัติเยอะขึ้นครับช่วงนี้ฮะก็ <c oughs> ดีตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นโอกาสของเราเราพยายามทำไปให้มากๆจะนั่งสตินั่งสมาธิบ่อยๆพยายามทําใจให้ว่างให้สงบให้ได้แล้วนิมิตามันก็จะไม่เป็นแบบแบบแบ บ, แ บ, บทุกข์ มันก็จะมันเบือ่อแต่มันเบื่อด้วยด้วยความด้วยความเขียนว่ามันเป็นทุกข์ไม่มีไม่มีความสุขในสิ่งต่างๆในโลกนี้หรอกครับผมครับผมผมอ่าก็หมดคำถามขอบคุณท่านพ่อาจารย์ครับที่เมตตาชี้แนะครับผมอ <Okay. S 2> ขอบคุณพ่อาจารย์ครับสาธุสาธุท่านคุณสุภัสดิ์จากด a l l a s t ท็ a ซสครับ กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังกินสมูทตี้อยู่เปล่าแล้วก็กินนะไม่ทาเนแล้วเจ้าค่ะไม่ทานก็เลย <laughs> มันก <laughs> ็ไม่ไม่เจ้าค่ะไม่รู้นนที่เกียร์ทามากกว่านั่นนั่เป็นไรเจ้าค่ะที่เกียรเจ้าค่ะเดี๋ยนี้อ น, น้ําเปล่า <laughs> น้ำเปล่าแล้วค่ะเนี้ยน้ําเปล่า <laughs> น้ําเปล่าท <laughs> ำตามได้ง่ายที่สุดเลดีที่สุดเจ้าค่ะ มีติดเตือนพอดอีคุณพ่อของลูกมีคําถามฝากถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ<ช>ตอน<ช>ตอนแรกท่านก็คือท่านก็ไม่กล้าจะถามเพราะว่าท่านรู้สึกว่าคําถามของท่านกลัวจะไม่เหมาะสมไม่ควรแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตก็เลยอยากจะให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตานะเจ้าค่ะใช่เชิญถามได้เลย ค่ะก็ะคือจะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยคุณพ่อจะเน้นในเรื่องของอยากอยากจะถามว่า เ, เทวดากับการเกิดเป็นเทวดาแล้วก็การไปตกนรกเนี่ยการกําเนิดของเทวดาแล้วก็การไปเป็นนรกเนี่ยการกําเนิดเนี่ยเหมือนกับมนุษย์ไหมที่จะต้องเข้าไปอยู่ในคันแล้วก็มีการค่อยๆ อ, อ, อะไระจะเจริญเติบโตเป็นวัยวัยขึ้นมาเจ้าค่ะ เราไม่มีหรอกมันเป็นเหมือนนอนหลับ น, นอนหลับมันก็ฝันแหละโลกของเทวดาโลกของนรกนี่เป็นโลกของความฝันเป็นในวันเทวดาจะฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นฝันไปเที่ยวอเมริกาไปพักโรงแรมห้าดาวไปกินไปเดินไปอะไรนี่คือฝันแบบเทวดาถ้าฝัานัะได้เสมอไปติดอยู่ในสงครามไปถูกคนเข้ามาจี้มาพ้นมาจับไปรับเป็นตัวเป็นฆ่าถูกฆ่าถ่าย อะครับทำไม่ดีอะไรบัณฑนาโลกนะคะแล้วรูปร่างของเทวดากับนรกนี่จะจะเหมือนกับที่เรายังเป็น ม, ม, มนุษย์กันอยู่ว่าจะเป็นเหมือนเปรตที่เขาว่ากันไหมคะไม่มีอะไม่มีมมมมตอนที่เรานอนหลับเราเห็นรูปร่างเราหรอคอืมมันไม่มีหรอกเป็นแต่เขาวาดมาให้เพื่อเปรียบเทียบ ว, ว่าเนี่ยเทวดาต้องสวยต้องงามต้องเราต้องเปรตผีมันต้องหน้าเกลียดหน้ากลัว ยังเปรตต้องสูงแบสูงแบบจุปากไม่ไม่มีอ่อืมท่านไปฝันนอนนอนหลับก็ฝันไปถ้าเราฝันด้วยความหิวโหยก็เป็นเปรฝันว่าไปตกทุกข์ได้ยากกวดยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำดื่มอ่อันนี้ก็เรียกว่าฝันแบบเปรตะต่ถ้าฝันแบบอสุรกายก็ฝันว่ามีแต่เรื่องหวาดเสียหวาดกลัวคนนั้นคนนี้จะมาทําร้ายเราสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมา เป็นภัยกับเราอันนี้ก็เป็นอสุรกายแล้วฝันเรื่องต่อสู้กันฟันกันฆ่ากันแทงกันนี่ก็ฝันได้ก็คือดาร์กถ้าฝันว่าได้ได้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรได้พบปะกับแฟนเกา่าหรือแฟนใหม่อะไรแ <c oughs> สดงว่าเป็นเทวดาฝันแบบเทวดามีความสุขได้ไปเที่ยวไปกินได้ไปฉลองปาร์ตี้ แต่สัมผัสรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เนี่ยเราเรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่ทิพย์กค่ะตัวเปลวเทวดาค่ะเจ้ค่ะทีนตัวจิตไม่มีรูปร่างตัวจิตไม่มีรูปร่างตัวเทวดาไม่มีรูปร่างไม่ไม่มีตัวเปลไม่มีรูปร่างเราถือเขาก็จินตนาการไปใช่ไหมใเรางฝันแล้วมัจะไม่เห็นตัวเราใช่ไหมใช่ เห็นเห็นภาพแวดล้อมภายนอกเห็นส่วนเราเป็นคนเราเป็นคนดูแต่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยนอกจากถ้าเราไปซองกระจดูว่าจจะเห็นก็ได้อในฝัน yes, ถ้าเราไปซองกระจดูหน้าเราถ้าส่วนใหไม่เค่อยซองกระจดูหน้าตัวเองหรือไม่เนี่ยแน้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องอย่างไปวัดที่เขาปั้นรูปเต๋ปั้นอะไรก็คือตามจินตนาการกันไปเพื่อสอนคนที่ไม่เข้าใจว่าลักษณะของคนที่ไป ไปเป็นนั่ร้องเป็นไปนเป็นต้องมีหน้าตาแบบนี้เลแม้แต่พระพุทเจา้าที่เราเห็นก็ไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจา้าจริงหรือเปล่าพระพุทธรูปที่เราเห็นกล่าวว่าเจ้วค่ะเจ้าค่ะทีนี้ส่วนที่สองนะคะคุณพ่อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของย ม, มทูตเจ้าค่ะก็คือสงสัยว่าย ม, มาทูตเนี่ยอยู่ที่ไหนมาจากไหนทําไมต้องมีหน้าที่ อะไรที่จะมาตัดสินคนว่าจะตายแล้วไม่ตายแล้วถึงคราวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งยมทูตให้เกิดขึ้นมาเจ้าะไม่มีละไม่มีละมันนแค่ตัวกรรมเนี่ยวตัวกรรมเขาวิบาตนั่นยังที่เราอยู่ในโลกสมมุติเรามีสารมีเรามีตำรวจเรามีอะไรแล้วเราก็เลยเอามาปะไว้กับพวกยมทูตตอนยังไม่มียมทูตมาทาหน้าที่จับเราไปเข้า เขาติดขุกไปลงนรกเรื่ออะไรยมาบาลอะไรไม่มีทั้งั้นมีแต่กรรมที่เราทําเนี่ยเป็นตัวที่จะส่งเราไปส่งเราไปสวรรค์ส่งเราไปนรกและและทําไมขนาดที่สมมติเวลาคนที่ใกล้จะตายแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นนู่นเห็นนี่แล้วเจ้าคะ ก, ก็ก็เพิ่มฝันไปงเพิ่มฝันไปตอนั้นชินติดในคนามขึ้นหนับขึ้นเตือนก็เพิ่มฝังไงนไปนู่นเห็นนี่ไป อ๋อถ้าถ้าไม่ฝึกความกลัวมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกจิตเนี่ยถ้าไม่ฝึกสติให้ให้มีความตั้งมั่นก็จะใช่มันก็จะมีความปุงมันก็จะมันจะปรุงแต่งไปงแต่อืที่เห็นนู่นเห็นนี่ว่ามีคนมาจะมาเอาเราไปจะมาอะไรนี่ก็คือสังขารที่คิดปรุงแต่งใช่ไหมคะที่เกิดจากบากรรมที่เราทําไว้อืมแต่ถ้าเรา ฝันเห็นว่าโอ้จะมีคนดีมามารับเราไปเที่ยวนี่มันก็เป็นฝันดีเจ้าค่ะหมดคําถามเจ้าค่ะคุณพ่ อ, อมีคําถามเท่านี้เจ้าค่ะการปรุงแต่งของจิตใจโดยอาศัยบุญเมื่อบาดเป็นตัวเ ป, เ, ปเป็นตัวเป็นผู้กํากับผู้กํากับหนังให้ให้ปะเล็นหนังแบบไหนหนังตลกห น, งนังหนังน่ากลัว หนังตื่นเต้นหนังอะไรต่างๆนี่ก็คือกรรมนี่เป็นผู้เป็นผู้กำหนดถ้าเราทำบุญกรรมก็จะให้เราทำหนังดีหนังสารคดีท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆถ้าถ้าบาปมันก็จะทำหนังหนังสงครามบ้างหนังอะไรบ้าง s u บ v i v o r บ้างนหนังหิวโหยอ่อครับอยู่ที่บุญที่บาปนันแล้ เจ้าค่ะจ่ากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบขอคุณเจ้าค่ะ ค, คนที่ว่าต่อคนที่ว่าใช่ต่นวิชการจาค่ะพรอาจารยวันนี้ไม่มีคาถามเต็ม้าค่ะไม่เคยมีเลยฟังน้า่มากโอเคคุณขชิตต่อขันชิตหใต้วันเลยนกล้ครับอยู่ใต้วันครับ มีอะไรไหมไม่มนนีครับเพิ่งเลิกโอวมาก็เล<อ>ยอยากเข้ามากราบแล้วเข้ามากราบอาจารย์โอเคยินดีต้อนรับทำไปเรื่อยๆนะครับฟังครับต่อคนที่เป็นวิ้นนะิ้นนะ M I N N กลับมาราช ก, การคอะพระอาจารย์ไม่มีอะไรต้องถ า, ามในวันนี้ยอยากถามว่าเหมือนกับ เรื่องของมานะอะค่ะอาจารย์ว่ามานะเนี่ยมันเป็นกิเลสไหมแล้วก็มันมันเกิดจากอะไรไงคะเกิดจากความหลงไ ป, ไปถือตัวถือว่าเราความจริไอ้ตัวที่ว่าเราก็คือตัวความคิดนะเราคิดว่าเราแล้วเราก็ไปเชื่อว่าเป็นเราขึ้นมาพอเราหยุดคิดได้ตัวเราก็หาไปแต่เราไม่เคยหยุดคิดกันนะ้ก็เลยคิดว่าตัวเราที่เป็นของจริง แถ้าเรามานั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งสงบพอจิตมันหยุดชิดอับตัวเรามันไปชั่วคราวอย่างนี้คือกิเลสของคํามานานี่มันมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกับเออ่รักโลกโกรธหลงอะไรอย่างนี้เอใช่ <c oughs> มันมันเป็นตัวร่างเงาของโลกโลกโกรธหลงเองทีพอมีตัวลำก็เลยไปรักไปไปโลกไปโกรธไปหลงขึ้น ม, มแล้วอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์อ่อน หนูเคยหนูอ่านแล้วหนูสงสัยก็คืออย่างเหมือนท่านพุทธาติท่านบอกว่าสมมติถ้าจิตเราว่างจากกิเลสเนี่ยเหมือนเราจะทํางานได้ดีกว่าคนที่แบบมีความอยากแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเราระหว่างคนที่ทํางานด้วยความแบบอยากากับคนที่ว่างจากจากความเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีกว่ากันยังไงเพราะอะไรค่ะก็บางทีไอ้ตัวเราเนี่มันจะมันกลายเป็นอุปสรรค เพราะพอเรามีตัวเราเราก็ยึดมันถือมั่นในความคิดของเราในวิธีการที่เราจะทําขึ้นมาซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นขัดกับคนอื่นเนื่ว่ามันไม่ถูกมันก็อาจจะทำให้เรามันทําให้ เ, เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของเราขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเราทําด้วยเหตุด้วยผลทำตามเนื้อผ้ามันก็มันก็จะไม่มีอุปสรรคเลย อืมค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คือคราวที่เราฟังพระอาจารย์แล้วบอกว่าเออเวลาเราเมตตาคนอื่นเนี่ยเราไม่ควรเมตตาคนอื่นเกินการเมตตาตัวเองแต่ทีนี้สมมติถ้าเกิดเราแบบเมตตาคนอื่นจนเราเป็นทุกเนี้ยค่ะเราจะมันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปค่ะาารเราก็ต้องหยุดเนี่ยออ ม, มันไม่เป็นบาปแต่มันมันมันเป็นทุกข์แก่จิตใจของเราเราก็ต้องรู้จักประมาณเหมือ น, นเหมือนเแบกของเนี่ย ถ้าเราแบบเกินกำลังมันก็หลังหักได้ใช่ไหมเราก็ต้องกําำลังของเาว่าเราทําได้เท่าไหร่พอทําทไม่ได้เราก็อย่าไปทุกเพราะเราไม่ได้ทํารือทำไม่ได้เพราะยามรับ ส, ะสะภาพความจริงว่าเราทำได้เท่านี้หรือ <c oughs> เราต้องมีอเุเบกขาเนี่ยเราเคยพูดว่เาเมตตาขํามจุลโลกนะแต่อุเบกขาที่ข้ามจุลผู้ผู้ให้ความเมตเมตา <c oughs> เราต้องมี เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเราไปเราไปค้ามตุโลโรกแต่บางทีโลกมันหนักกว่าที่เราจะไปค้ามตุลได้เราก็ต้องเรียนแบกคามาค้ามตุลคนคนที่ไปแบกโลกทีก็อย่าไปแบกเกินกําลังของเราอืมเราจะได้ไม่ทุกข์โอเคค่ะค่ะขอบคุนค่ะท่า น, นะนนี่เหรอนม่มค่ะโอเ ค, คเอ่อคนนัักพัฒน์เหรอคนนักพัฒนอยู่ที่ไหนคนนักพั ดีเคค่ะอาจารย์อยู่อหันใหญ่ค่ะหันเข้ามาข้างแรกเลยอะไรนะคะเข้ามาข้างแรกนี่เนี่ยยึดไข้างหใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อนแนะนํามาเมื่อกี้ค่ะใครคุณเมื่อกี้นี่แหละคุณมิ้นค่ะก็คําถามก็คือว่าตอนนี้เคยอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วถ้าอายุมากเราก็เหมือนกับทุกวันเขาก็จะ มีแต่ความเกียดชังความโมโห О, ความเครียดต่างๆเงนี้ค่ะเหมือนทุกวันจะพูดแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นด้านลบอะออตอนแรกก็ทนทนไม่ค่อยไหวอะไรย่างนี้ค่ะแต่ว่าช่วงหลังเหมือนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะแต่ว่าทีนี้เราจะมีทางไหนไหมที่จะทำให้เขาเหมือนปล่อยวางตรงนั้นได้เงี้ยค่ะเหมือนเราพยายามพูด หรืออะไรที่พูดแล้วมันไม่ตรงกับความคิดเห็นเขาเขาก็คือจะผลักออกหมดเลยอะไรย่างนีน้แต่เราอยากให้เขาเหมือนแบบมีความสุขในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความคิดที่ดีแต่เราต้องดูความเป็นไปได้ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาจะฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฟังเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามตามตามคำของเขาไปเนื้อบเบกขาไวให้เขา พอเราไปทุกข์กับเขาเราไปแบกของเราไ่อยากให้เขามีความสุขแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้นะว่าต้องปล่อยเขาไปหรือเขาไม่เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับความสุขที่เราจะมอบให้กับเขาได้ก็อีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์เหมือนกับตัวเราเราคิดว่าเราเทาหน้าที่ลูกได้พยายามทาอย่างดีที่สุดแล้วไงค ะ, ะแต่ในบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นแบบ เป็นลูกที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็มีคําคําแช่งคำอะไรเงี้ยค่ะคือเราอยากรู้ว่าแบบแบบนี้มันเหมือนแบบเราจะติดตรงนั้นไหมค่ะเออไม่แร้วคนเขาบอกว่าเราเป็นควายแล้วเราไม่เป็นควายมันก็ไม่เป็นควายแล้วคือต่อให้เขาเป็นเป็นหุกปกาลีก็ไม่ไม่ไม่เขาเขาไม่ไม่มีประกาเสียที่ยามศาสตร์มาแช่งให้เราเป็นวัเป็นควายเป็นนู่เป็นนี่ไมได้ถ้าเราไม่ได้เป็น แล้วเราเป็นเขาไม่ต้องมามาว่าเร า, เราก็เป็นการเป็นของเราอยู่ที่การกระทําของเราทำตัวของเราเราไม่ทำตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังคือฟังรับฟังแต่ไม่ต้องไปเชื่อหรอกเพราะว่เราเขาว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เราก็เชื่อแล้วก็เสียใจดีใจบางทีเขาชมว่าเราสวยก็ยิ้มแป้นไปทั้งวันเพราะเขาว่าเราขี้เหล่ไง น, นี่ก็ร้อง เสียอกเสียใจขึ้นมาอันนี้มันไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นเหตุผลไม่ได้เป็นจิตไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริจงมันตั้งอยู่ตามอารมณ์ถ้าเขาพูดในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาถ้าเขาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์ขึ้นมานเราต้องปรับตัวเราเองอยากให้อยากไปชอบอยากไปชังอะไรสีมงคลเพูดก็ตามผาเขาเล่าตาหรือว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า เขาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขาดูว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นจริงก็แสดงว่าเขาพูดโกหกหรือเขาเป็นคนตาบอดให้มองไปอย่างนั้นแล้วก็พูดตอกกับความเป็นจริงแล้วก็ว่าเออแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ตาบอดเขาตาดีใช่ไหมค่ะหมดคำถามขอบคุณค่ะอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วจะไม่ทุกไปที่เราทุกเพราะเราไปหวังแห่พ่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เป็นน่าจะเป็นความปรารถนาดีแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าอยากให้พ่อมีความสุขแต่ถ้าพ่อเขาไม่มีเขาเขาไม่เขาไม่สามารถทําตามที่เราอยากให้เขาทาได้เราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นกรรมของเขาใช่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าไปทุกข์กับเขานะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาอย่าไปชังเขาปล่ต้องไปตามเรื่อง มีท่านนี่แหละครับเคเห็นจะได้ไปที่เส้นหมุนแล้วมั้งอาจารย์ท่านมีมีคุณกวินนะพอดีเมื่อกี้เขายกมือเลยเสียคิวไปครับคุณกวินเชิญนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเสียงเบาไปหน่อยกวินพูดดังหน่อยหนึ่งไปหน่อยเอพระอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าค่ะเออ เสียงค่อยมากค่อยมากได้ทุนนี้ออเออขออภัยด้วยเจ้าค่ะจะพยายามพูดเสียงดังแล้วเจ้าค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างอยู่้างล่างครับอาจารย์ได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินแต่คือเสียงค่อยมากได้ยินแต่เสียงค่อยมากขออญาตเจ้าค่ะกดกดกดสายเลยดิพาน้องพูดผ่านทาง ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผ่านทางหูฟังแล้วก็ตอบซ้ายออกแล้วก็<ช>พูด<ช>เข้ามาใกล้ๆจอพูดหนักๆเล้าค่ะพระอาจารย์ถ้าหากว่าพูดผ่านทางอมือถือแล้วจะจะจะเสียงกล้องไปหน่อยตอนนี้โอเคไม่เป็นไรตอนที่เราจะเไ่งเสียงของเราให้จำพูดได้เชิญพูดได้เจ้าค่ะเ อ, อลูกหลานเป็นอลูกของลูกหลานอีกทีหนึ่งขององค์หลวงตาเจ้าค่ะคุณแม่คุณลูก หลานคุณแม่ลูกหลานเจ้าค่ะอรักและเคารพองค์หลวงตาพระมหาวัวมากก็ระลึกถึงองค์หลวงตาตลอดแล้วก็เคยเข้าประกาบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะที่เอที่วัดป่าญาณสังวรารามที่อ่ชนบุรีบางละมงุงตอนนั้นคุณแม่ของลูกหลานได้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ขอคำมาพระอาจารย์เรื่องที่เคย กก็จะคิดว่าองค์พระอาจารย์เป็นผู้หญิงความจริงแล้วไม่ใช่เจ้าค่ะตอนนั้นก็เคยตามคุณแม่ท่านมากับขอเข้ามาพระอาจารย์เดเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็คราวนี้ลูกหลานก็มีข้อสงสัยทางด้านธรรม ะ, ะลูกหลานก็ตอนเมื่อปฏิบัติเมื่อฟังธรรมองค์หลวงตาก็นั่งสมาธิตามเจ้าค่ะคราวนี้เมื่อนั่งสมาธิเราเมื่อสงบเสร็จ เมื่อสงบจิตสงบแล้วถอนออกมาจากสมาธิก็คือบางครั้งก็ส่นมากก็จะหยุดหยุดทำสมาธิเมื่อ<จ>เมื่อการเทศจบคราวนี้่ทุกครั้งที่ถอนสมาธิกออกมาก็ปกติเจา้าค่ะแต่ว่าเมื่อใช้ชีวิตทั่วไปวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปก็เหมือนกับว่าจิตจิตเราขาดจากสมาธิลงไปเรื่อยเหมือน วันหนึ่งเราชาร์จแบตเจ้าค่ะแล้วเมื่อออกจากสมาธิก็เมื่อวันหนึ่งผ่านไปแบตก็หมดลงหมดหมดลงหมดล ง, ดลงก็เหมือนสมาธิที่ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราเราวันเราเรามีสมาธิอยู่ตอนต้นวันเจ้าค่ะอืมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเจ้าค่ะที่ลูกหลานได้พบ แล้วก็อลูกหลานก็มีเมื่อเมื่อฟังธรรมเมื่อลูกหลานฟังธรรมเช่นฟังธรรมเรื่องวิมุตติวัตวิวิมุตติรัตนมาลีอของภาษาประวัติชีวประวัติของภาษาลิบุตรเจ้าคะ่ะหรือว่าพระอาจาร์หรือว่าพระอาหารหันตพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ต่างๆเมื่อฟังแล้วจิตก็จะอย่างเดียวกันเจ้าคะ่ะคือจิตินดีปราโมทในธรรมนั้น แต่เมื่อถอนจิตออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเรายินดีออกไปเราเรายินดีแต่ว่าเมื่อยินดีปลาโมดจิตสงบแต่เมื่อเมื่อฟังจบก็เท่านั้นเจา้าค่ะก็กลับมาวุ่นวายอย่างเดิมทุกอย่างไม่ไม่เหมือนเหมือน ต, ต้องต้องทำบ่อยๆต้องทำเยอะๆถ้า ม, มันวุ่นวายก็กลับเข้าไปทํา เหมือนอยู่อยู่อยู่ในห้องแอร์มันก็เย็นพอมาข้างนอกก็ร้อนพอมนล้อนก็กลับเข้าไปในห้องแอร์เจ้าค่ะเออแล้วลูกหลานก็เหมือนเพราะว่าคุมจิตไม่ได้บางครั้งเวลาลูกหลานอ่า อ, อยู่พยายามพยายามท่องพุทโธมันพยายามพ่องท่องพุทโธอยู่เรื่อยๆ แล้วจะควบคุมจิตได้ถ้าไม่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจค่ะอา า, ารย์แล้วอลูกหลานต้องมีจริตอย่างหนึง่งเมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วหรือว่าใดๆก็ตามเราทนไม่สามารถทนต่อคาที่มีสุภาพคือยินดีจากคาสุภาพยินดีจากคำพูดที่ดีออกมาจากใจิตใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหะแล้วเมื่อเจอกับ คนที่พูดหรือว่าจิตใจรู้สึกจะโหดร้ายอะไรอย่างเนี้เ้าค่ะเราก็จะทนไม่ได้อันนี้จะมีวิธีภาวนาก็ใช้สติเนี่ยใช้พุโทโธไปเรารู้สึกอารมณ์อาการเราไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกไม่ดีคนะ่ะอาศัยภาวนาพุโทโธเออพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจ เราไม่คิดแล้วเดี๋ยวคําใไม่สบายใจก็จะหายไปก็ค่ะพะ่อจอมอีกเรื่องหนึ่งคือลูกหลานเป็นมรุษเทศเจ้าค่ ะ, ะมะรุษเทศเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษก็พยายามที่จะเมื่อนักเที่ยวมาก็พยายามอยากที่จะให้เขาได้สวดมนต์ น, นั่งสมาธิเมื่อไปเยี่ยมชมตามวัดต่างๆคราวนี้ลูกหลานก็มีจิตคิดว่าอยากจะปฏิบัติ ให้ยิ่งกว่านี้คืออยากจะให้เขาเข้าใกล้พระธรรมยิ่งกว่านี้ ย, นยิ่งกว่าการที่เขาได้นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์อยากจะให้เขาได้เข้ามาใกล้กลชิดกับพระแม่ครูปอาจารย์ต่างๆองค์ต่างๆเช่นขึ้นอุดรบ้างขึ้นภาคเหนือก็ได้กลาวพระแม่ครูปอาจารย์บ้านที่วัดเจดีย์หลวงที่กุดองหลงอง์หลวงปู่มั่นเจ้าค่ะที่ตรงจุดนั้นก็ได้ พักทัวได้อะไรอย่างนี้ก็อยากจะคราวนี้อยากจะให้เขาเข้ามาใกล้ชิดธรรมะมากขึ้นคราวนี้ญาติของลูกหลานคือเตือนไว้ว่าเราอย่าเอาเขาเข้ามาธรรมะเลยทางธรรมเนี่ยเป็นเหมือนของคนพุทธเท่านั้นแล้วก็เขาก็รับถืออย่างอื่นเราอย่าไปเหมือนเราก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ ใครมาเดิมเราไปศาสนาอื่นใดๆเราก็ปฏิเสธทุกเมื่อเขาก็เหมือนกันถ้าจิตเขาไม่ยินดีเราก็ไม่ควรที่จะหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเราไม่ควรที่จะเอาเขาเข้ามาทางพุทธมากเราไม่ควรเกี่ยวข้องกับเขาสิ่งนี้ลูกหลานกลับเห็นว่าพุทธศาสนาก็เหมือนกับขุมรับทางทางทางที่สุด ของกลุ่มซั์ของในวัตถุสงศารนี้คราวนี้เมื่อเรานำเขาเข้ามาใกล้ชิดก็ เ, เหมือนให้เขาได้สัมผัสแม้เขาไม่ได้เข้ามาถึงเป็นชาวพุทธได้รู้จักคำว่าศีลธรรมตั้งแต่เด็กเป็นตแต่เขาก็ได้เข้าใกล้เหมือนได้เข้าใกล้อ า, อากาศบริสุทธิท์ <Okay. S 1> ต้องขอขอให้สรุปแล้วทรวนต้องการจนะทำา ก็ก็ถ้าเขาสนใจก็ก็บอกก็ได้สอนเขได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปยั่วยุ่นอย่าไปขืนใจครับค่ะแล้วสรุปอีกคําถามเดียวเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายนี้ก็คือลูกหลานขอขอขอสอบถามขอขอถามถึงพระธรรมเทศนาขอถามถึงธรรมะที่ช่วยให้พ้นจากการเกิดหยุดการเกิดเจ้าค่ะ แมันัน่อัไม่กลับมาเกิดอีกอะไรแล้วมันก็ต้องปฏิบัติทางสีนภาวนาขั้นตอนหมือกันมันจะไม่กลับมาเกิดนะทําล้วมันก็ต้องตามกําลนงของเร า, า ร, 5, าร 8, อกัามันมกลับาเกิดอีกอแล้วมันก็ต้องปฏิัติทาสีนภาวนาขั้นต่อเหมือนกันมันจะไม่กลับมาเกิดอยก ร, ยรยแล้วก็พิจารณาทางปัญญาว่าทุาทนทกนต่อเหมือนกัมันจะไม่กลมาเกิดอีกอะไรแ้มนก็ตองปฏิบัติทานีนภาวนานได้ ตกลงครับอ่าท่านนี้นะพอใจไหมวันนี้คนนี้ก็มีคนมาเข้าอค่คำถามขอบพระคุณมากกับ่อ่าเชิญมีคนใหม่เข้ามาอีกคนครับคุณธนากรนะเชิญคุณธนากรเข้ามากราบพระอาจารย์ครับไม่มีคำถามครับพระอาจารย์อ่มีต่องที่เมื่อวานเพิ่งมาใช่ไหมคุณธนากรใ่ครับใช่ครับไม่มีคาถามไม่ได้มาทักทายนะ ครับใช่ครับเพิ่งเข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามานานแล้วเพิ่งเปิดเก้เพิ่งเปิดอะเพิ่งจะเข้ามาครับได้ฟังสักพักเพิ่งจะเสร็จงานมาเข้ามาฟังได้ไ้ยินดีได้ทบท้อครั้งหนะึ่งอบคุณอเเดี๋ยวขอไปที่ท่านท่านคนคนณลาต่อนะแล้วเส ร, ร็จท่าเฟสยุกมีคถามหนะ มีทั้งหมดหกคำถามจากทาง u t u ู e และ a c e b o o k เจ้าค่ะว่ามาเลยคำถามแรกจากคุณสุขทุกข์ยุในใจมีคำสอนที่ว่าบุญนี้เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญจะอยู่ที่ใจของเราให้ใจของเราเอาไปใช้ในโลกพิษคํคำสอนของพระอาจารย์นี้ทำอย่างไรข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างสิ้นสงสัย กลับน้ำมัน ก, การเรียนถามครับก็ต้องลองทำดูเนี่ยทำไปเรื่อยๆแล้วมันถึงจะเห็นถ้าไม่ทํามันก็ไม่เห็นเหมือนอาหารนี่ก็ว่าอาหารจานนี้อร่อยรสดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณไม่รับประทานคุณก็ไม่รู้ว่ามันดีหรืมไม่ดีคุณต้องรับประทานคุณต้องชิมงานั้นบุญก็เหมือนกันถ้าคุณทําแล้วคุณก็เกิดความสัมผัสกับความสุขที่ไม่ไม่เหมือนกับความสุขแบบ มันก็จะรู้ว่าออกเป็นความสุขที่มันติดอยู่ในใจของเราต่อไปเวลารล่างกายเราตายไปมันก็จะไปกับใจของเราต่อไปคำถามต่อไปจากคุณอภิญญากราบนมัตสการพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะอยากจะปล่อยวางค่ะแต่ใจไม่ยอมปล่อยขอคําแนะนําเจ้าค่ะอต้องบังคำบันด้วยให้มันเข้าไปในสมาธิเวลาเข้าในสมาธิมันปล่อยทุกอย่าง เวลาเรานั่งสมาธิควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปพอจิตมันสงบปั๊บมันปล่อยทุกอย่างชั่วคราวแล้วพอออกมามันพอมันจะไปยืดอีก็ใช้ปัญญาบอกว่าอยากไปยืดยืดนมันทุกเพราะสิ่งที่เรายืดมันไม่เทียมมันไม่ใช่ของเราอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะปล่อยได้ต้องฝึกสมาธิให้ได้ก่อนทีนี้ปล่อยได้จริงๆ คำถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์ความเชื่อในการตายเกิดจําเป็นมากแค่ไหนในศาสนาพุทธครับมันไม่ใช่ความเชื่อมันความจริงเราทุกคนได้เห็นกันไม่ใช่ว่าร่างกายของเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันธรรมดามันจะเป็นเพราะเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี่มันมีวันสิ้นสุดเลงแต่มันเป็นเพลงการสิ้นสุดของร่างกาย อีกส่วนหนึ่งของเราที่ไม่ได้สิ้นสุดไปกับความตายของร่างกายก็คือจิตใจของเราจิตใจของเรานี้ไม่ตายกับร่างกายจิตใจของเรานี้ก็ยังอยู่ต่ออยู่ด้วยบุญด้วยบาป ท, ที่ทำ เ, า เ, าเ อ, ไอาไา ว, ว้แล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกเมื่อมีโอกาสเมื่อถึงเวลาที่สมควรมันก็จะกลับมาเกิดใหม่อีก นี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อต้องต้องต้องยอมรับเพรามันเป็นมันเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อทําให้จิตใจของเรานีนมีแต่ความสุขปราศจากคามทุกข์คำถามต่อไปจากคุณพรเพนการฉันข้าวมื้อเช้ามื้อเดียวหรือการฉันสองมือ้อ เป็นข้อปฏิบัติของพระสมัยพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแตกต่างกันอย่างไรคะก็ไม่แตกต่างกันคือสองมือกับมือเดียวมันก็มันก็นกับประทานมากรับประทานน้อยแตกต่างกันสำหรับพระที่เป็นพระปฏิบัติที่ท่านมากจะนิยมใช้มือเดียวเพราะว่าฉันมากเกินไปมันก็จะทําทให้ขี้เกียจปฏิบัติทําให้ง่วงนอนเวลาปฏิบัติ ก็สัลปาปฏิบัติท่านก็นจะฉันเมื่อเดียวแต่สัลปา ท, ที่ไม่ได้ปฏิบัติที่านยังศึกษาอยู่ท่านก็ยังไม่มีเห็นความสําคัญในการที่ไม่ที่ฉันเมื่อเดียวท่านก็นจะฉันสองมือคำถามต่อไปจากคุณศิวพรน้อมกราบค่ะเรียนสอบถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเวลานั่งนานๆจะมีความรู้สึกวูบ ไม่รู้เป็นอะไรเจ้าค่ะมันก็วูบได้สองแบบวูบเพื่อเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิหรือวูบเพื่อหลัก็แล้วแต่ว่าเรามีสติแร้วไม่มีสติถ้าวูบแบบไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องอะไรก็แสดงว่าหลับแต่ถ้าวูบแบบรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าตอนนี้จิตของเรานิ่งสงบสบายเย็นสบายในความสุขอย่างนี้ก็เรกว่าสมาธิ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยอ่านเรื่องพระธุดงเข้าป่ามีเทวดามาหาและได้แสดงพระธรรมแก่เทวดาแต่พระอาจารย์มีตอบคําถามไว้ว่าเทวดานางฟ้าไม่มีตัวตนเป็นเสมือนความฝันหรือสภาวะแสดงว่าพระธุดงนั้นเป็นเรื่องไม่จริงหรือไม่เจ้าคะจริงเทวดาที่ก็ที่มาสัมผัสกับจิตใจของเราเมื่อมี อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องน่ที่ไม่ได้พูดถึงมันเป็นเรื่องที่จะผู้ที่จะสัมพั์รับรู้ได้นี่เป็นจานวนน้อยต้องมีอภินยามียานอย่างทราบสามารถติดต่อกับเทวดาต่างๆได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านก็ติดต่อกับเทวดาสแสดงทําให้กับเทวดาติดต่อกับพุทธมารดาที่เป็นเทวดาอันนี้มีมีจริงเพียงแ แต่พูดที่พูดนี้ไม่ได้พูดทางเกี่ยวกับทางมิตินี้พูดถึงสภาพของเราเวลาที่เราตายไปเนี่เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเราก็จะฝันถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้คือีกอีกอีกอีกด้านหนึ่งซึ่งก็มีทั้งสองอย่างด้านที่จะไปสัมผัสกับเทวดาได้นีนเป็นเฉพาะความสามารถพิเศษของคนบางคนเท่านั้นนีง ไม่เล็บกับทุกๆคนคำถามสุดท้ายจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับบุญกรถิน่นสําคัญเช่นไรในพุทธศาสนาขอรับสาคัญตรงที่ว่ายุคนั้นไม่มีผ้าผ้าไม่พอใช้เพราะว่ายุคนั้นาที่มีการบวชนี้พระจะไปเก็บผ้าพอศพที่เรียกว่าผ้าบางสุกุลมาใช้กันในเอาผ้าที่เขาห่อศพทิ้งไว้ในปา่าช้า พอร่างกายที่หอนั้นมันเน่าเปื่อยเดี๋ยวแต่โครงกระดูกเขาก็เขาก็จะไปเก็บผ้ามามาตัดมาเย็บมาซักมายอม่อนี่ต่อมามีคนศรัทธาบูช์มากขึ้นมากขึ้นพระก็เลยขาดตลาดไม่พอใช้แล้วยุคนั้นก็ไม่มีใครถวายผ้ามแต่ถวายแต่อาหารมิตรบาตเพียงอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่าพระต้องการอะไรพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ า, วาต่อไปนี้ต้องถวายบ้ า, าน็ธิใ้พระนะ ประโยชน์มากเพราะตอนนี้ผ้ผผผาขาดแคลนนี่คำว่าคำว่าอันที่สองก็คือประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าบุญบุญที่เท่ากันบุญที่เราทําให้ใส่บาตรเรื่องบุญที่เราถวายของต่างๆ น, นี้มันเท่ามันมันมันแคเท่ากับบุญที่เราทํากับการถวายผ้ากฐิถ้าปริมาณของของของทรัพย์ที่เราบริจาคไปเท่ากัน เช่นเราบอิจากสร้างสร้างบุติแล้วเราบอิจากสร้างมาซื้อผ้ามาตัดเย็บจีวาให้กับผ้าอนี้ถ้าปริมาณของเท่าที่เราเสียสละเท่ากันบุญ่็เท่ากันแต่ประโยชน์มันอาจจะต่างกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้รับนี่เขาขาดแคลนอะไรสมัยนี้ผ้ากับมันเยอะเกินไปแล้วะถวายก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้รับอะไรเพราะผู้รับมีอยู่ อยู่เยอะแยะแล้วต้องถวายอย่างอื่นที่พระที่เขาขาดแคลนซึ่งอาจจะไม่ขาดแคลนเลรก็ได้เพราะว่ายุมีมีคนถวายครบทุกอย่างอาหารก็เหลือเฟือที่อยู่อาศัยก็มีผ้าก็าเหลือเฟือยังก็ไม่รู้จะถวายอะไรให้กับพระ <laughs> ยังไป อ, อยากไปรบกวนพระอยากไปถวายสังฆทานท่านนำมาคอยรับสังฆทานทั้งวีทั้งวันไหวให้ท่านไปอยู่คนเดียวหาที่สงบให้ท่านปฏิบัติธรรมขงท่านดีกว่าอันนี้อาจจะเป็นบุญมากกว่า ต, ตอนนี้อย่าไปยุ่งกับพระอย่าไปรบกวนพระใหวพระท่านไ ป, ปิดีกไว้ให้ท่านไปฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมจะดีกว่เพราะว่าตอนนี้เรื่องปัจจัยสี่ให้กับศาสนานี่มันเลอะเฟือ มันก็กับมาตอบคําถามที่คําว่ากระถินเนี่ยสมัยพุทธกาลที่มีการให้มีการบอกให้ญาติโยมถวายกระถิน่นครั้งแรก น, นตอนนั้นมันมีประโยชน์มากเพราะฉะนั้วท่านขายแพงแต่ต่อมาคนก็เริ่มถวายกันเยอะแยะไปหมดมันก็เหลือเฟือขึ้นมามันก็มันก็ไม่มีประโยชน์มากเพราะมันเหลือเฟือมันพอมันพอเพียงนะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะ กลับมาที่ห้องต่อไปในห้างมีใครอยากจะถามไหมถ้ามีถามก็ยกมือขึ้นมาได้คุณวริศเหรอวริศเรามีเข้ามาหลายคนยังไม่ยังไม่ได้คุยกันว ล, ลิศก่อนครับกร่าวธรรมตรการครับหลวงพ่อก็เมื่อกี้ได้ยนินหลวงพ่อพูดถึงอันนี้ศพนั้นก็เลยนึกถึงบางอย่างมีความเชื่อว่าถวายพระพุทธรูปเวลาเกิดเป็นเทวดารักตมีจะ ส, ว, ส ว, ว่างสวัยกว่า คนถวายอย่างอื่นคนก็เลยชอบถวายพระพุทธรูปแบบหน้าตักอะไรอย่างนี้ให้กับพระสงเหมือนกันแต่พระพุทธรูปก็เออมันก็เป็นสร้างประโยชน์อย่างอื่นแบบถวายปัจจัยไม่ได้อย่างนี้ใช่ไ้มครับหรือเพราะถ้าถวายปัจจัยพระท่านก็จะแบบนําไปบูรณะหรือซ่อมแซมอะไรอย่างนี้ก็แต่พระท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับอก็แล้วแต่ว่าขาดแค่ไหนเพราะว่าไม่มีมงนจากข้าค่าน้าค่าไฟการถวายค่าน้ําค่าไฟไปมันก็เป็นไปเพราะไม่ยอย่า้จะถูกตันตไไดน้ําตัดายได้ครัเนี้อต้องเวลา เวลาเราทำบุญเราต้องดูว่าพูดรับเขาขาดแคลนอะไรแล้วก็ให้จิตงที่เขาขาดแคลนจะดีกว่าอ๋อครับการทําทานนี่ทําให้เราเกิดมาแล้วเรามีทรัพย์การรักษาศีลทำไม่เราเป็นมนุษย์แล้วการเจริญภาวนาทําให้เรามีมันจะมีปัญญาคือปัญญาทางธรรมเท่านั้นหรือรวมปัญญาแบบเฉลียวฉลาดด้วยครับหลวงพ่อเออปัญญาทางธรรมโดยหลัก ท, ทางนอกไม่ต้องรู้มากไม่เกี่ยว ปัญญาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้รู้ตายรักให้รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรดับได้ด้วยอะไรท่านี้ก็บอกอ๋อก็พอแบบถ้าปัญญาทางโลกเกิดมาใหม่มันก็อย่างเราต้องมาเรียนภาษาใหม่เรียนพูดเขียนใหม่แต่ว่าปัญญาทางธรรมนี่มันจะติดตัวไปใช่ไหมครับหลวงพอ่อมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นปัญญาที่เกิดจากการจดจําหรือเกิดจากการปฏิบัติถ้าจดจํามันก็ลืมได้ ถ้าเกิดจากการปฏิบัติมันฝังอยู่ในใจมันก็จะไม่เล่นครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับ <c oughs> เออคนทุกคนมีกรรมเป็นของของตนแต่ถ้าสมมุติพ่อเราอ่ะไปยืมยืมยืมตังธนาคารมาแต่สุดท้ายบ้านโดนยึดเราซวยไปกับสิ่งนั้นด้วยคือมันเกี่ยวกันยังไงครับหลวงพ่อก็เกี่ยวกันที่เราเกิดเป็นลูกเขาถ้าเราไม่เป็นลูกเขามันก็ไม่ไมัก็ไม่ถูกแล้วก็ยังมีบ้านอยู่ ครับก็มันจะเกี่ยวข้องแบบเราก็ต้องมีครามสัมพันธ์กับสิ่งนั้นมาด้วยทําให้เราต้องเจอสิ่งนี้ใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นแหละเพราะมันกรรมมันมีหลากหลายด้วยกันมันทําหลายวาระหลายหลายโอกาสมันก็จะทําให้เกิดมีคนรอบมันก็คือมันพาให้เรามาอยู่ตรงจุดปัจจุบันนี้ก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้ครับทำในอที่เราทําในอดีตมาและที่สุดมันก็คนรอบของมันก็มาปรากฏอยู่ในขณะปัจจุบันเนี้ เอยู่ตรงนี้เราสุแล้วทุกข์เร า, เราดีเราเชื่อเรารวยเราจนก็มันเป็นข้อสรุปของบุญกรรมที่เราทําไว้มันมาแสดงผลในขณะที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วที่หลวงพ่อบอกนิสัยมันทําให้ติดตัวข้ำปกครองคชาติแต่คนที่เป็นเศรษฐีหมายความว่าชาติก่อนเขาต้องชอบทำทานมาแต่มาชาตินี้เขาขี้งกคืนนิสัยเขาเปลี่ยนได้หรอครับหรือว่ายัางไงไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิด <c oughs> การการดยที่มันรวยได้หลายทางโดยจากบุญที่เราทําในอดีตก็ได้รวยจากที่เรามาขยานันทำมาเกินหาเงินห า, หาทองตอนนี้คีเดียวไม่ยอมทําบุญเก็บเงนได้เท่าไหร่ก็เก็บไว้หมดก็รวยได้ออ๋มันมีรวยได้หลายหลา ย, หลายวิธีด้วยกันคนที่รวยด้วยบุญเขามักจะจใจบุญคนที่เขารวยด้วยบุญเก็มังใ จ, จ, จใจบุญเขาเคยเขาเคยทํำ เขาก็จะทำบุญต่อไปแต่คนที่รวยเพราะทามาเก็บเก็บออมว่าตนี่ขี้เดียวเขาก็จะเป็นคนตนิ่ขี้เดนียวเป็นน้าเศรษฐีก็ยังไม่ยากทําบุญทําทานไม่ยอมอะไรเพราะเขารวยได้เพราะเขาเขาเขาอดออมเขาเก็บเขาเขาเหนียวที่เหนียวเขาก็จะไม่ทำบุญอ๋อเข้าเข้าใจแล้วครับก็เลยตอนนั้นก็อขอบคุณมากๆนะครับ ต่างกันวิธีรวยรวยได้หลายวิธีเขาเขารวยด้วยวิธีโกงเขาก็จะติดนิสัยโกงนะเขาเขารวยด้วยโกงเขาก็จะพยายามเวลาจะทํามาหากินเขาจะทามากินโดยวิธีโกงเพื่อเขาจะได้รวยได้สังเกตนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลเขาอย่าไปอย่าไปกล่าวอย่าไปกล่าวให้มันจอดโจงมากเกินไปไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลื่อนขึ้นมาตั้งวัดตั้งศาลาชื่อเขาเต็มอันนี้อย่าไม่ต้องไปพูด่องเขดีกว่าพูดเรื่องของเราดีกว่านะ โอเคครับผมที่นี่ไม่ไม่ใช่เป็นเวทีที่จะไปด่าคนนั้นคนนี้ครับผมโอเคนะอ่อสาธุครับหลวงพ่อคณปุ้ยคนปุ้ยฟันงสอยากรบเสมอใช่อาจารย์มสการค่ะหลวงพ่ออ่เป็นยังไงสบายดีนะยินยอมสบายดีค่ะ ย ม, ยมวันนี้เข้ามาสายเพราะว่าพอดีจิตงานรอบอกลับ <c oughs> ก่อนเลยค่อยเข้ามาได้ยมอยากจะเรียนถามหลุกพ่อสบายดีไหมคะะอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีจ้จาวันนี้ฝนตกมากเลยไม่ทราบทางวัทยาฝนตกหรือเปลาคา่ะตรงนิดเดียวก่อนหัวขํามนี่ตกหยิบไปตอยให้หน่อ่าเอ่ยยมอยากจะเรียนถามว่าถ้ายมถวายลูกประคองทั้งลูกกับพระเนี่ยคะ่ะ แล้วเออพรทองยิบดิบเนีนะคะแล้วโยมเอามาทำกับข้าวแล้วก็ไปใส่บาตอีกนี้จะบาปไหมคะคือถวยถวายก่อนแล้วเอามันเขอเอากลับมาทํากับข้าวยนะ อ, อยมถวายเป็นลูกๆเลยอย่างลูกพรทองเนะะี่ยค่ะไม่ควรถวา ย, วายเป็นลู ก, ลกๆอ่ะควรจะทําเป็นอาหารให้พระกินต้องทำกับ<อ>ข้าวเองไม่ได้โอโยมไม่ทราบโบโยมเห็ น, เ ห, นเห็นเพื่อนบอกว่าเออคุณปุ้ยไปถวายพรทองแล้เดี๋ยวจะได้ทอง อฮ้ยบ้าเป็นบ้าเชื่อเชื่อเป็นบ้า <c oughs> ไปแล้วอโอเคงั้นต้องทำํทำแบบข้าวทุกวันทาข้าพระท่านฉันได้เลยไม่ใช่เป็นฝ่ายทั้งลูกแล้วฉันไปนทำอะไรกับทอทองทั้งลูกอะ่ะคือคือโยมทํำนี้ใส่บาตรก็ใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าโยมไม่ได้ใส่บาตรกับผสมเพราะเขาไม่มีะสมจ้ะอ่าค่ะแล้วโยมจะถามอีกข้อหนึ่งโยมจะถามว่าเออตะกี้โยมฟังน้องเขา คุยแล้วโยมเกิดเอคิดอะไรขึ้นมาว่ายมจะถามว่าเรามีวิธีการเรียกบุญจากชาติหลายๆชาติหลายทุกขอย่างไรคะมันไม่เรียกหรอมันมากับเรามันติดว่ามากับใจของเรามันเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกถ้ามันถึงเวลามันจะออกดอกผลแล้ก็ออกดอกมันกันมาถ้ายังไม่ถึงเวลาไปเรียกมันมามันก็ไม่มาโอค่ะคแล้วคือโยมฝันนะะฮะเมื่อสามสี่วันที่แล้ว โยมไม่รู้ว่ามันไม่ใช่กันเอรชเจอร์เพราะโยมเป็นคนที่ไม่ค่อยฝันอะไรเออโยมฝันถึงมีพระองค์หนึ่งคล้ายๆกับหลวงปูนะ่นั่งนะฮะนั่งสมาธิอยู่แล้วท่านจะบอกให้โยมอ่ะนั่งนั่งดูมองไปที่ใต้ฐานแล้วมีตัวเลขแต่ทีนี้มันมันโยมไม่ได้ไปโยมไม่ได้คิดมากถึงหวยถึงอะไรนะาลวงี้่มาอาจารย์ายาศิีย <laughs> ตําหนิเพราะว่าแต่นวันนึงโยมก็ฝันอีกว่า ท่านมาต่อนีโยมว่าเ อ, อการนั่งสมาธิต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นการเฮิร์เจอร์ไหมฮะอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรหรือว่าจิตเราคิดก็มันเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราเอามาทําประโยชน์ดได้หรือฝันของมันถ้าเรามาทําประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ก็ไม่น่าไปสนใจถ้ามาทําประโยชน์ดได้ก็มาทําประโยชน์เหมืนเหมือนกับของที่เขาส่งมาทําไปชนีบางทีเป็นของ ของครูธาของอะไรแล้วก็มาเปิดดูอันไหนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รับเอามาใช้ไปอันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งไปถูกต้องอนะฮะโยมเข้าใจเออโยมอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการนั่งสมาณธินะคะคือโยมเป็นคนที่ว่าเวลาที่จ ะ, ะนั่งสมาีิเนี่ยโยมสงสัยตัวเองมานานแล้วว่ามึงคือทุกวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจิตมันจะไม่เหมือนกันและจิตมันเป็นอะไรที่คนทนยากบางวันก็ุ คนโจรดีมากเลยแต่โยมบังคับได้แล้วเวลาอยู่กับคนที่แบบการทํางานเนี่ยจะต้องมาเจอคนที่โมโหโทโสอะไรอย่างเงี้ยแต่โยมนคนโจจิตได้และโยมอยากจะถามว่าโยมคิดไปเองหรือเปล่าเพราะไอ้บา ร, รมีที่โยมสวดมนเนี่ยเวลาคนเนี่ยคิดจะทำไม่ดีกับโยมโยมจะใช้วิธีการสวดมนและสักเพียสักเพียในใจแล้วมองไปที่เ้า มันมันหลายหนแล้วที่โยมสังเกตแบบไม่ได้ลงนะฮะแบบเขาก็เปลี่ยนเลยอะ่ะเปลี่ยนเลยแบบเปลี่ยนอารมณ์เลยแทนที่จะแบบจะดุอย่างเงี้ยเขากโอเคอะไรอย่างเงี้ยและการที่ทําสมาธิถูกโยมโยมสังเกตหลายหนแล้วว่าเวลาที่โยมจะใช้พุโทโธโดยตรงเลยโยมทำไม่ได้แต่เวลาโยมทําสัมมา阿拉หังแล้วโยมจะทําได้ลงไปและโยมถึงจะออกมาด้วยพุโทโธพุโทโธอย่างนี้เป็นการถูกไหมฮะ พุทโธใช้วิธีไหนก็ได้ใช้สัมมาล่ะก็ได้ใช้พุทโธก็ได้เพราะเพราะว่าบโยมสังเกตหลายหุนแล้วถ้าเกิดโยมใช้พุทโธตรงเดิ่งไปเลยโยมจะเข้าไม่ถึงโยมจะเข้าไม่ถึงกลางกายเราแล้วโยมจะมีรู้สึกไม่โล่งแต่เวลาโยมใช้สัมมาละหังแล้วโยมต่อไปด้วยพุทโธพุทโธแล้วโยมจะรู้สึกโยมจะรู้สึกตัวได้ตัวเบาๆแะเออ วันนึงยมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีใครก็ไม่รู้เดินออกมาหรือว่าเราจะเพอร์เจอร์หรือเปล่าคะก็อย่างที่บอกก็ต้องดูว่ามันเจริงหรือไม่จริงถ้ามันไม่จริงก็มันก็ไม่จริงถ้ามันจริงมันก็จริงค่ะยมต้องพยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าเพอร์เจอร์นะอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราฝึกแค่ว่าเออให้จิตนิ่งเราไม่ได้ว่เห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นอะไรก็เห็นว่ามันเป็นตายร่างไปก็แล้วไปเป็นอย่างที่เราเห็ มมีเกิ้มันก็มีดับอันนี้แหละวันน้นะยมมีเท่านี้ก็ยมจะขอพรนะเอ่อยมจะขอพรนะไมร่รวยถูกหวยทุกงวดไม่ร่นไม่รวยสาธุกันยังไม่ถูกเลยอ่ะหลวงพ่ก็ต้องเชื่อไปเรื่อยชื่อไปเรื่อยเดี๋ยวมันต้องถูกสักงวดหนึ่งแหละสาธุกัแต่เรามาหมดตัวนะเรามาหมดตัวนะ ยังไม่ซื้อเยอะหรอกกลัวไม่ยื้อแล้วอย่าโน้มซื้อใบเดียวก็พอถ้ามันจะรวยมันก็ใบเดียวมันก็รวยได้โบซุดูนะขอให้ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาธุด้วยค่ะสาธุด้ายค่ะคุณสุภานาเชิญจากบอวินกล่าวธรรมสการเจ้าค่ะะอาจารย์ พอดีโยมเพิ่งมาถึงลบบุรีเจค่ะมาจากกรุงเทพตอนที่เริ่มสุกเมื่อไงตอนนั้นกําลังอยู่วังน้อยก mm hmm. ็เลยไม่เปิดยังมาถานพระอาจารย์คือเ อ, อขออนุญาตขออนุญาตเ อ, อถามพระอาจารย์อย่างนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันมีอย่างที่เคยถามพระอาจารย์เมื่อครังที่แล้วว่ามันมีสิ่งที่เราเหมือนเราเราคิดว่าเรา จะทําแบบนี้แต่มันไม่เป็นไปนตามที่ใจเราคิดทีนี้ตอนเนี้ยเหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าต้องหยุดอยากอันนี้โงก็เข้าใจว่าพยายามหยุดอยากการหยุดอยากทีนี้ว่าถ้าเราไม่ไปมองไม่ไปมองเรื่องนั้นเลยแต่เราหันเหไปมองเรื่องอื่นไปทําอย่างอื่นอันนี้เป็นการถูกต้องไหมเจ้าคะพระอาจารย์หรือเราต้องมองตรงนั้นให้ให้มันหยุดอยากจนได้อย่างนี้นะคะพระอาจารย์ก็วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้มันหยุดอยากได้ก็เอาวิธีนั้น อ, อ๋อก็คือแต่ถ้าเราหานเหตุความสนใจแล้วเรากลับมามันหยุดก็ก็คือปล่อยให้มันหยุดเองเราไม่ต้องไปเพ่งจนมันหยุดใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่เช่นเวลาเวลามันเจ็บเราไม่ต้องไปเพ่งที่ความเจ็บไมได้ค่<ฮ>ะเราเพีงอย่าไปสนใจมันเราอยู่กับพ <ฮะ S 1> ูดโธพูดโธไปพอจาจเราไม่สนใจมันความเจ็บก็ไม่มารบกวนใจเราค่ะมันก็จะมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเออแล้วก็อยู่กับมั น, นได้ไปไม่ต้องดึงดัน ก็ค่ะอ๋อไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปเพ่งดูเฝ้ า, าดูเราสน ใ, ใจเรื่องโฟกัสอย่างอื่นแทนก็ได้เพราะเราไปบงังคับมันไม่ได้ของต่านนงๆเราไปบงังคับมันไม่ได้มันเป็นหน้าตามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราโอเคก็อย่าไปสนใจมันดีกว่าถ้ามันมาทำํำมันมารบกวนใจเราเราก็อย่าไปสนใจมันดีเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอื่นหรือไม่ก็ก็คือมาพูดโทดโทไปอ ะ, ะคะ เจ้าค่ะแล้วก็พอดีวันนี้ก็มีคุยกับแม่นะเจ้าค่ะอันนี้อันนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ว่าโยมพูดแบบนี้ถูกไหมก็คือแม่ก็มีความกังวลกับลูกทีนี้โยมก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดแทนเขาไม่ต้องไปกังวลกับเขาการที่เราไปคิดถึงอนาคตถึงอดีตอันนี้เป็นความคิดฟุง้งซ่านนะนิยมพูดถูกไหมนะคะอาจารย์ ก็จะว่ามันก็อยู่มันก็อยู่ที่ว่าใจเขาฟุ้งซ่านหรือเปล่าถ้าใจเขาไม่ฟุ้งซ่านมันก็มันก็ไม่มันก็ถ้าใจเขาไม่ทุกข์เขาบางบางคิดมันจป็เป็นปัญญาก็ได้เป็นกิเลสก็ได้อ๋อคือถ้าความคิดเป็นเป็นเป็นกิเลสอันนี้เราเรียกว่าฟุ้งซ่านใช่ไหมคะใชาถ้าเป็นปัญญามันแก้ปัญหาได้มันเตรียมการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆไได้มันก็มันก็เป็นปัญญานะอ๋อเจ้าค่ะ โยมก็บอกแม่ว่าไม่ต้ s, <S ตองไปคิดไม่ต้องคิดมากให้คิดอยู่ในปัจจุบันเพราะคิดถึงไปอนาคตเนี่ยมันก็ยังมายังไม่เกิดคิดถึงอดีตมันก็ผ่านไปแล้วถ้าแม่คิดอย่างนั้นก็จะทําให้แม่ไม่สบายใจแ ต, แต่แม่ก็บอกแม่ก็อดคิดไม่ได้โยมก็เลยบอกว่าให้พยายามพุดโธ ก, ร ก, ร ก, ร ก, รกัแล้วกันก <c oughs> ็เลยแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เราคิดมันเป็นเรื่องที่เราจัดการได้หรือไม่ถ้าเรื่องถ้าเราจัดการได้ก็ก็ทําไป ถ้าเรื่มงที่เราจัด ก, การไม่ได้ก็อย่าอย่าไปคิดถึงมันขว่อไปตามมันตามคําเจ้วค่ะแล้วก็เข้ามากราบอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์โอเคขอประคุณเจ้าค่ะเราจะไปทํางานที่นั่นนะ่ะทําะไรมาบุเที่ออกพรษาเจ้าค่ะอาจารย์มาถือศีลเจ้าะสองวันโอเคแล้วปะวัดปฏิบัติหรือป่าวัดก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ช่วยงานวัดด้วยเจ้าค่ะอาจารย์อ่าดีพยายามปฏิบัติให้มากนะ เจ้าค่ะขอพคุณเจ้าค่ะใช่คุณบิวตี้บิวตี้จากทุกเกตกรา บ, บพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไวันนี้นมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะก็คืออ น, นิสงของการที่เราสักบาทนี่คือจริงๆมีอะไรบ้างเจ้าค่ะเราจะได้มีข้าวกินเราจะไม่ออยากขาดแคลนแล้วให้ข้าคนอื่นตอบไปก็จะมี็คนหนึ่งทีให้ข้าวแล้วอือ ม, ม ให้อะไรแล้วก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาร้อยเท่าพันเท่าพันเท่าอ่ะค่ะถ้าองนั 1, ้น ถ, ถ, ถ้าเกิด เ, เอ่อให้เงินก็ได้เงินนะคะเออได้เงินก็เออก็จะได้เงินกลับมาไม่ต้องให้ข้าวด้วยไหมคะให้เป็นเงินตอนตักบาไ ด, ได้ได้ได้ทั้งนนก็ต้องดูที่คนรับว่าเขาควรจะรับอะไรถ้ายัางเด็กไปให้เงินมันก็ไม่ดีใช่ไห ม, มเด็กที่เอาเงไปใช้ในทางที่ไม่ถูกแต่ถ้าให้เงินแล้วเข้าไปทําให้ใช้เกิดประโยชน์ได้ก็ให้ไป เช่นมางทีทําวัดขาดแคลนค่าน้ำค่าไฟเราให้ใจค่าน้ำค่าไฟกับวัดอย่งนี้หรือที่มาร่วมทําความสอ า, าทดทั้งหมดนี้ก็เขาต้องใช้เงินใช้เงินจ้างคนเข้ามาทํางานทําความสะอาดก็ได้นะ แ, แต่แต่ว่าต้องดูเหตุผลย้งจารให้เงินนั้นค่ะนั้นให้อะไรก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาะ ดาคนด mm. ่าคนอื่นก็จะได้คนอื่นด่ากลับเรากลับมา mm. ใช่ไหมชมคนอื่นเราก็จะได้คนอื่นเขาชมกลับมาอ mm. <คน S 1> จริงค่ะทำอะไรก็จะได้เงินนั้นกลับมาแล้วเวลาเราบริจาคเอ่อค่าน้ำค่าไฟใส่วัดอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะไม่ขาดน้ํำขาดไฟเราก็จะมีค่าน้ํำค่าไปทุกพบทุกชาติา ไ, าา ไ, ไปอ๋อแล้วเราต้องถวายปัปจจัยเงินยังไงอะคะที่เราจะได้มีเงินใช้ไหมคะ ก็บริจาคเงินให้กับโบนิธีต่างๆก็ได้วัดต่างๆก็ได้อืมเพราว่าเขาก็ต้องมีค่าใช้จาช่ า, ายไงวัดก็ต้องมีค่าใช้จาช่ า, ายเนบางวัดก็ต้องมีคนงานมาทาําความสะอาดดูแลสถานที่ของวั ด, ดลแล้วก็ต้องมีเงินเดือนอะไรต่างแล้วก็บริจาคเงินให้กับสถาบันต่างๆไปให้กับสภาการชาติให้กับโรงพยาบาลให้กับอะไรก็ได้ แล้วเขาก็จะดามเงินนั้นไปซื้อของที่เขาต้องจําเป็นต้องซื้อค่ะแล้วกับพ่อกับแม่คะก็เหมือนกันก็ให้เงินพ่อแม่เโดยคุณพ่อแม่อยากจะไปซื้อซื้ออะไรหรือว่าไปเอาไปทําบุญให้เราเงินที่เราให้กันได้อืแต่เราจะไม่บอกพ่อเอาเงินที่ไปทําบุญนะนี่แสดงไปใช้พ่อให้ไปเอาเงินทบุญให้เราเพราะมันมันมันมันไม่ได้ออกมาจากใจของพ่อแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินของพ่อ เราให้พ่อเข้าไปแล้วถ้าเป็นของเงินของพ่อแล้วพี่พ่อกนะ็ อ, อยากจะไปทําบุญแล้วไปใช้อะไรก็ปเป็นเรื่องของครับ น, นเขาถึงจะได้บุญตอนที่เราอยากให้พ่อแม่ได้บุญเราบอกอ่ะให้เงินพ่ อ, พอแม่เถอะเอาพ่อแม่มอานนี้ไปทําบุญนะอย่างนี้นเขาไม่ได้บุนเพราะการจะทําบุญจะได้บุญต้องเป็นการเสียสละทรัพย์ของตนเองและต้องเกิดจากความความอยากจะทําไม่ใช่คนอื่นมาบอกให้ทาแล้วเอาตงินของคนอื่นไปทำ คนทํานั้นไม่ได้ไม่ได้รวยนะไเพียงนันเป็ น, นสะพานหรือเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนบุญไปเสนีห์นะเอาบุญไปส่งให้คนอื่นแต่เอ ไ, ไ, ไม่ได้ทําเจ้าค่ะ<ม>แล้วเราทําบุญยังไงให้แบบเป็นคนโชคดีอะคะแบบถูกหวยถูกงวดเหมนที่พระอาจารย์หวยพร้ <laughs> อมก็นี่ยแหละก็พยายามช่วยเหลือะคนอื่นใครทุกข์กายากยากก็ช่วยเยอะเข้าไปอืมเจ้าค่ะ ใความเมตตาคุณอาตแล้วมันก็จะกลับมาอะรเจ้าค่ะพอหรือยังพอค่ะตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะโอเคค่ขอบพระคุณเจ้าค่ะอาธาทึ้งาคเสร็ก็นอบที่บุดแล้วใช่ไหมคุณไม่ชมมีไหมหมดหมดแล้วแต่เห็นเด็กๆปูขาเข้ามาแต่เมื่อกี้เปิดเปิดหน้าจอนะ เดี๋ว อ, องเรียกเขาดูนะคบา้าบางนเข้ามาไม่ออกนะไรกันเป็นยังไงบ้างเด็กจากสสา้าห้อาการคครับรับการาามาเรียหรือยังเราปิดเทอไมอไว้ยนี้ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมตานี่นนนนปิดเทอมอยู่ใช่ไม้มตอนี่ปิดเทอมอยู่ครับอ เติอยู่ค่ะแล้วทำอะไรกันบ้างปิดแทมเล่นไปทำงานค่ะทำอะไรกันถ่ายละครนะโฆถ่ายละครถ่ายละครนะเดนี่เป็นดาราแล้วนะไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นแต่ว่า ทยายโพษณาเลยโฆษาไ<ล><ผ>มา่รู้อเอะค่ะไม่รู้เลทั้งทั้งครอบครัวเลยนะเคียรมีมีบ้างค่ะบางบางงานก็มี ค, ครังครอบครัวบางงานก็เฉพาะเด็กๆค่ะวิเอเจนซี่เขาจัดหาให้ค่ะดี ด, ดีดีใจด้วยที่ ด, ด, ดรู้จักดารามามามา นะสีคำถามอะไรไหมไม่มีใช่ไม่มีนะเข้ามากลับลงตาเพราะว่าคิดถึงหลวงตาโอเคก็ตั้งทายกันโอเคนะ อย่างนั้นก็สั้นๆแค่นี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวไม่ไปเลยก็อยากจะทำแต่รักษาสุขภาพด้ขอให้รลวง้ามีสุขภาพแข็งแรงมีอายุเกิน120ปีค่ะสาธุจ่ะสาธุสาธุสาธุฝากรูกฝากคุณภาพย่อมเวอร์เนคุณภาพใช่ อ่าขอถามนิดนึงค่ะพราะอาจารย์พอดีเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแล้วก็ลองพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเคยไปฟังของหลวงพ่อวิไลยังว่าให้กําหนดจิตที่หน้าผากหรือท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาพุทโธมันมันจะไปพร้อมกับลมหายใจออกเข้าอย่างเงี้ยค่ะได้ก<ะ>ันได้กันดูที่ลมหายใจก็ได้ไปออกโอเคได้คหลายที่แล้วแต่เราจะเป็นกําหนดให้มันอยู่ตรงไหนที่เดียวที่หน่งก็ได้อ่าขอบคุณค่ะ ถ้าพุทโธอย่างเดียวนี้ถ้ามัไมนไม่อยู่กับเราไม่ให้อยู่กับคําว่าพุทโธก็ได้อย่างเดียวก็ได้ไม่ได้ไปอยู่ที่ร่างกายถ้าอยู่ที่คําว่าพุทโธในใจเราไปเรื่ก็ได้แต่ถ้าเราเดินเราอาจจะเอาพุทโธอยู่ที่เท้าเราก็ได้เวลาก้าวเท้าก็ว่าพุทโธก้าวเท้าซ้ายก็ว่าพุทโธก้าวเท้าขวาก็ว่าพุทโธก็ได้ไม่แม่นถือว่าไม่เคารพเพรานี่เป็นการปฏิบัติ เรพุโทโธก็ม่ได้ไปอยู่ที่เ ท, ท้าเรพุโทโธมันอยู่ในใจเพียงแต่เราไปไประโยงไว้กับเท้ามี ก, ามกับเราโยงกับลหมหายใจเพ่ให้มันแม่ลอยไปที่อื่นนะเราทําดูนะเป้าหมายก็คือให้หยุดคิดให้มันนิ่งที่เราต้องพุโทโธมันจะได้ไม่ไปคิดเร่องนั้นเรื่องีถ้าพุโทโธไปแล้วยังคิดด้วยกันไปก็ไม่ดีอย่าไปสนใจกับความคิดให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว Okay. ท่านต่อไปคุณวาริศอ่ะมีคำถามอีกเชิญครับหลวงพ่อนึกขึ้นได้พอดีครับการฝึกอยู่คนเดียวนี่มันเราต้องหาอะไรแบบแก้งคือคนเรามันจะเหงาอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเที่ยวแต่การอยู่คนเดียวแบบฝึกทํางานศิลปะหรือเล่นกีฬาอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพอ่อไม่ดีแล้วเอาพูดโธอย่างเดียวเดียเด๋ยวจะรวมกับกพูดโธดีกดว่าตอนนี้ก็ไปติดศิลปะไปติดการกีฬา ปลกต้นไม้ทําศิละปะก็ไม่ควรด้วยใช่ไหมครับไม่ควรนะเอาแต่เดินแต่ขนั่งสมาธิหรือทำงานที่จําเป็นต้องทาได้เช่นเรากวาดบ้านถึงบ้านซักผ้าอาบน้ารับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานที่มันจําเป็นต้องทำอย่าไปทํำงานที่มันไม่จำเป็นต้องทำอ๋อไม่ครับการวาดรูปก็คือการส่งกิจออกนอกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับหลวงพอ่อใช่แล้วมันก็จะไปทําให้เราถูกพันธุ์ไปติด ก, กับมัน อ, อ๋อโอเคครับแค่นี้นครับขอบคุณ คุณ น, นันทพัฒน์ยกมือขึ้นใช่เจ้าค่ะว่าการยพอดีลูกนึกได้ว่าจะกราบขอคําแนะนําพระอาจารย์ถ้าลูกอยากจะตั้งมีความตั้งใจลงไปเดินตรงทางเดลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคําแนะนําให้ดําเนินอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ลงไปเดินตอน黄昏ก่อนตอนที่ยังไม่มืดก่อนไปทำความคุยชินกับมันก่อนค่ะ แล้วก็ไปแล้วก็ถือไฟฉายไปด้วยถ้าไม่มั่นใจก็เปิดไปบ้างเพื่ครับิดักหมอค่ะแล้วก็ทําจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อยู่กับพุโทโธทําใจจทําจิตเฉยเฉยไม่ไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นอืมมีอะไรมีเสียงมีอะไรมาก็อย่าไปสนใจอาจจะเป็นกวางอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจผีไม่ใช่ผีไม่มีควรจะเป็นสัตว์ได้ แล้ ว, แ ล, วแล้วที่ลูกกลวงูเหรอเจ้ะคะาค่ะพระอาจารย์ทําขาไม่ต้องไปสนใจเราก็มีสติอยู่ทางที่เราเดินขอให้เราเห็นเห็นทางที่เราเดินก็รู้แต่ว่ามีมีสัตว์ด้วยคลานอยู่ขนางหน้าหรือเป่าอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็อย่าไปสนใจพยายามควกคุมคามกลัวต่างๆไว้ด้วยพุโทโธพุโทโธไปอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีเท่ า, า, า, านี้เจ้าค่ะกราบขอ พ, พระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าธุ คือถ้าเราไปเดินก่อนตอนที่มันมันยังไม่มืดเราจะได้รูบางทีทางมันอาจจะมีรอยเล่ามีกิ่งไม้หรืออะไรเราเราจะได้รู้ว่าเออมันไม่ใช่กิ่งไม้นะี่มันเป็นแค่รอยเล่าขผมถางไมใ่ใช่ตัวงูหรืตัวอะไรเพราะเวลาเราวงูงเนี่ยมันเห็นอะไรเป็นงูไปหมดเข้า <c oughs> ใ จ, ใจไหมเข้าใจจังเลยโอเอย่างเวลาไปอยู่ป่าช้าเขาก็แนะนำํำว่าไปตอนกลางวันก่อน ไม่ใช่ไปต อ, อนมืดเลย oh. ไปไปดูร้านเราก่อนไปดูสถานที่มันเป็นยังไงแล้วพอตอนคืนจะได้เกิดเห็นอะไรมันจะรู้อ๋อเป็นกิ่งไม้เป็นต้นไม้เป็นอะไรถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ไปดูร้านเราแบบมันไปตั้งแต่ต อ, ตอนคืนมันเห็นอะไรมันก็ปูแตกไม่ได้หรอค่ะเพราะว่าที่ลูกเดินระเบียงตอนเด็กๆไ้เพราะว่ า, ต อ, า, วาตอนกลางวันลูกพยายามเพ่งเข้าไปดูรอบทิศทางเลยจะหาพระอาจารย์ว่ามีะ เป็นอยู่พอเราเดินจริงๆมันก็ไม่กลัวเพราะว่าเราเห็นแล้วจ้ะค่ะใช่ค่ะจ้าค่ะคุณพะเจ้าบคุณหมดแล้วคคุณผู้ชนครับในตอนนี้คนหมดแล้วครับเหลือคำถามทางเฟซเฟซบุ๊กไปยู u ูปฟังคำถามครับอานะรอ่าใช่คำถามแรกจากคุณชัดกำแพงเพชรอ่านหนังสือประวัติหลงปู่เจียได้อ่านประโยคที่ว่า ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องคิดคน้นมีโยนิโสมนัสิการเสมอเสมอต้องคิดคน้นคลี่คลายจนกระทั่งจิตนี้เบื่อหน่ายในขันและในจิตและจะเห็นผลประจักษ์ได้ด้วยตนเองอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าเบื่อหน่ายในจิตหมายถึงอะไรครับมันก็เบื่อหน่ายอารมณ์ที่มีในจิตมันแปรวนไปเรื่อย เดี๋ยวดีใจเดี๋ยเสียใจเดี๋ยวุ่นวายใจอะไรต่างๆนี่ก็เบื่อหน่ายคือเบื่อนายในอารมณ์ที่อยู่ในจิตว่าจิตที่มันยังมีกิเลสมันจะแปลปวดไปเรื่อยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเชื่อัองเกี่ยวดูจิตเราแต่ในแต่ละวันมันเหมือนกันไหมบางวันก็เบิกบานบางวันก็ฝ่องใสบางวันก็ซึมเศร้าบางวันก็วิตกเขตียังวล อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตคุณจะเบื่อไดกับสิ่งเหล่านี้คาถามสุดท้ายจากคุณตัต า, ตาการที่เราปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์แล้วรู้ว่าจิตเราไปจับมันจึงเกิดทุกข์เมื่อวางได้จิตไม่ทุกข์เห็นจิตที่ยืดและเห็นจิตที่วางถ้าเกิดขึ้นได้ในการใช้ชีวิตประจำวันคงดีเราคงไม่มีทุกข์ แต่เรามักจะขาดสติความคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ความคิดกับความจริงมันไม่เหมือนกันคิดได้ว่าเราเป็นโสดาบันคิดได้เป็นผ้านแต่ความจริงมันเป็นหรือเปล่ามันก็เหมือนกันนะถ้คาคิดว่าปล่อยวางจิตปล่อยวางได้ก็จิตจะไม่จิตยืดจิตกระทุนที่ความเป็นจริงมันเป็นเลยรถ้ามันยังปล่อยวางไม่ได้มันยังยืดอยู่มันแสดงว่าเรา เรายังต้องปฏิบัติเนี่ยต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อปล่อยวางเครื่องมือที่จะปล่อยวางก็คือสมาธิกับปัญญานิสติกับปัญญาถ้ามีสติกับปัญญาแล้วมันก็จะกว่อหวางได้หมดแล้วใช่ไห ม, มหมดแล้วจเจ้าค่ะมีการอยากจะทำอะไรไหมมีคุณแมนยกมือครับคุณแมนเชิญเปิดา ไ, ได้เลยคุณแมน ครับอาจารย์ครับก็ขอรบกวนอีกอีกหนึ่งหนึ่งคำถามาครับมันติดอยู่ในใจคือชีวิตมันก็โลดโผนมาสี่สิบกว่าปีถึงจะได้มาเห็นว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงอะครับก็ก็ตั้งใจไว้ว่าต่อไปเนี้ยก็จะอยู่ในทางศีลภาวนานะครับแต่สงสัยว่าจะทํายังไงให้ชาติต่อไปหรือในภพต่อๆไปเนี่ยให้เราเห็นในเรื่องพวกเนี้ให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลา เราไม่ต้ององใจหรือปฏิบัติมันมากขึ้นแต่ตอนนี้จะพยายามทําให้มากขึ้นครับทำตอนนี้แหละชาตินี้เราก็ทําได้อาจจะเป็นชาติถัดชายของเราก็ได้ไม่ต้องไปกังวลถึงชาติข้างหน้ากังวลว่าเราปฏิบัติมากหรือน้อยดีกว่าครับก็ตระชาตินี้ก็จะขอพรพระอาจารย์ว่าให้มีชีวิตเหลือมากพอที่จะปฏิบัติให้ได้มากๆด้วยนะครับก็เพราะถ้าเป็นปฏิบัติมน้าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันก็สําเร็จนะครับนะ ฉไม่ต้องไปไม่ต้องคำว่าถึงชาติหน้าชาตินี้ก็สามารถทําให้เสร็จได้รครับคนตอนนี้คนยังอายุน้อยอยู่ครับจะพยายามครับอาจารย์ครับการจะพยายามนี้ต้องมีเป้าหมายต้องกําหนดเวลาต้องกําหนดเป้าเหมือนกับเราทํางานที่เราต้องกําหนดว่าปีนี้จะต้องเอากําไรเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องกำหนดปีนี้เราจะทําทานเท่าไหร่ดีเราจะรักษาสีเท่าไหร่ดีเราจะภาวนาเท่าไหร่ เราไม่กําหนดเป้าต้องตั้งเป้าไม่งั้นมันก็จะถลายถลายไปเรื่อยได้ไหมไม่ชอบมาทางนี้ตด้ครับเลยตั้งเป้าีนี้จะกํำมีเงินเท่าไหร่จะเสียสละกี่เปอร์เซนต์ของรายได้ของปีนี้ก็ทําไปเลยกําหนดไปเลยจะรักษาศีลกี่วันต่ออาทิตย์อะไรก็ทําไปเลยทำภาวนาวันละกี่ชั่วโมงก็ทําไปเลยได้การกําหนดการมันจะยามันจะทํา ถ้าไม่กำหนดการมันจะมันจะมันจะมันจะบอกว่เดี๋ยวก่อนไม่ว่างเรื่องนู่นเรื่องนี้ครพอเรากำหนดแล้วทีนี้เราต้องว่าถ้าเรากําหนดแล้วทีนี้เราต้องทํานะใช่ครับอาจารเดี๋ยวจะตั้งใจและจะกําหนดให้มันให้มันพอดีไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินให้มันเป็นกิจกลักษณะที่มันพอเสมกับสภาวะของเราครับครับไปกันยครับขอบพระคุณครับโอเคคุณรัตพลใช่คุณรัตพล แบบใบกลับน้ส ก, กายครับอาจารย์เออมามาตอนนี้ผมมีทุกอย่างหนึ่งนะครับคือผมพยายามจะเข้าใกล้วัฏฏสังนาครับอาจารย์แต่ว่ามันมานีมานะครับในจิตใจของเราอะ่ะพยายามพยายามให้เราคิดไม่ดีอ่ะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกับวัตถุประธทมประรสง์เนี่ยครับเราคงก็มึนหัวมากเลยครับอาจารย์ อ๋อก็เข้าดูในงานศึกษาศึกษาพระพุทธประวัติก่อนศึกษาพระธรรมคาสอนขององค์พระเจ้าไปก่อนครับแล้วมันต่อไปอาคติต่างๆต่อพระพุพทธธรรมประสงฆ์ก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นอะไรใครอย่างไรดีท่านมีความดีงานอย่างไรพอเราศึกษาแล้วมันก็จะเปลี่ยนใจเราได้ น่ามีหลายวิธีสมัยนี้ภาพประโยช์เกี่ย ว, พ ว, พวเพราะพระพุทธเจ้าก็มีหลายภาพประโยชน์ด้วยกันก็ดูได้อาจารย์ครับใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเราปลามาพระพุทธเจ้าแวบๆพลิกขึ้นมาเงนี้ครับอาจารย์คือแวบพิกไม่ดีขึ้นมาเงนี้ครับอาจารย์อย่างเนี้เราจะบาปมากไหมครับไม่บาปเราไม่บาปเป็นเป็นเป็นอกุศลมันเป็นป น, ป น, ป น, นิสัยเดิมที่เราอาจจะเคยต่อต้านท่านมาก่อนมันก็เลยแล้วก็บอกว่า อย่าไปคิดอย่างนี้สิเราดูความจริงดีกว่าอย่าไปคิดคาําวิดขเรามันเป็นการคิดที่มันไม่ไม่ตรงกับความจริงรศึกษ า, ศ, กษาศึกษาความจริงของพระพุทธเจ้ามาลบล้างคว า, ความคิดที่ไม่จริงเราได้ครับต้องเริ่มจากการศึกษาก่อนใช่ไหมครับใช่ต้องศึกษาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเว่าท่านมีประวัติอันดีงานที่คยทั่วโลกเขากราบไหว้บูชามาถึงทำได้อย่างไร ครับพอได้รู้ได้รู้จักพระพุทเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเราจะรับพระพุทเจ้าเราจะชื่นชมยินดีเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นมาครับอาจารย์จิจิตนี้ไม่ยังแก้ได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ไดทุกอย่างแก้ได้แก้ได้กัวว่าถ้าผมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็เป็นบ้าเนี่ยครับถ้าถ้าปล่อยไว้ก็ถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นบ้าได้ต้องแก้ไขด้วยการศึกษาด้วยการเจริญสติ ช่นั้นที่มันคิดไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันบ้างก็ได้อาจารย์ครับเราถ้าเกิดว่าเราเคยเรียนมากับอีกพระอาจารย์ท่านหนึ่งอะครับเราใช้เป็นยุบหนอพองหนออย่างนี้ได้ไหมครับได้วิธีไหนก็ได้มีสีสิบวิธีด้วยกันวิธีทําใจใ่ไหครับผมจะพยายามคขับอาจารวิธีไหนที่เราใช้ได้ถูกกับเราเราก็ใช้วิธีนั้นไปนะมันจะเป็นต้องยึดว่าอยู่กับพระอาจารย์นี้ต้องทําอย่างนี้อยู่กับนั่นต้องทําอย่างนั้น อีู่ที่ว่าเราเราทำอันไหนได้ได้ได้ผลเราก็ทำอันนั้นก็แล้วันผมขอพรจากอาจารย์ได้ไหมครับอ่ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมนะครับอาจารย์สาธุครับโมีการอยากจะถามอะไรไหมอ็นเลีเข้ามาเนี่ยอินเลียวเพิ่งเข้ามาครับอ เ, อเตอนนี้นักการเ ข, ข, ข้าวงตาอ่าว่าไงตอนักการต้อ่าหลวงพ่อ เขามากลับมาสุดทางก็กลับมาจากโรงเรียนไแล้วมาไปรับทุกวันเลยนะครับกำลังทำไปกำลังเรียนใบขับขี่นครับเด็กเรียนบขับขี่ทำไมจะขับไม่เอรบแล้วค่ะหลวงพ่อจะขาเขามากลับเฉยจริงๆแล้วลูกไม่สบายแล้วฟังอยู่ข้างดอกค่ะแต่ว่าคิดว่าจะไม่เข้ามาก็เลยเอ้เขามา แต่ขอเลี้ยงก็เลียงไม่เลี้ยงไม่เป็นไรเข้ามากราบเนี่อตอนนี้ปัญหาที่สเปนเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมไม่มีไม่ไม่ไม่ม่ปัญหาแล้วเพราะประชาตอนนี้สเปนอัตราการฉีดนี่คนฉีดมากที่สุดแทบจะในยุโรปเลยอันดับต้นๆแล้วก็ไปไหนก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรแล้วเลยไม่ยังใส่ยังต้องใส่อยู่ใสเยอะแต่ไปได้ทุกแห่งเปิดหมดได้ได้ครับ ทุกอย่างโรเรียนโรงเรียนก็เปิดหมดทุกโรงเรียนทุระดับเลยคใช่ครับแต่ยังต้องใส่หน้ากากอยู่แต่นอกนั้นก็ทุกอย่างเปิดหมดก็ยังมีคนติดเชื้ออยู่แต่ก็ไม่ไม่รุนแรงเหมือนมื่อก่อนไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนครับก็ดีว่าฉีดวัคซีนกันเยอะใช่ไหมครับเ้าสิบเปอร์เซ็นของ population ก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับดีดีแล้วก็ต้องรีบบอก พอพอหลวงกาเขากำลังจะเลือกมหาวิทยาลัยเจ่าค่ะหลวงพ่อก็ขอให้ได้มาที่เราต้องการก็แล้วกันเนี่ยที่ไหน King's College Oxford สามชื่อใช่ไหาจะไปเกินความพยายามไปหน i m p e r i l College ก็ได้ Imperial College ครับเดี๋ยวดูจำตอนดูจ่าย Imperial College ใช่ไหมดูจ่ายมี UCL Imperial Westminster King เลย ได้ขอให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะให้เราอยู่บนท็อป10ก็แล้วกันโอเคโอเคอยู่ที่เราอะถ้าเราตั้งใจดูหนังสือเยอะเราก็จะสอบได้นะพยายามทาการบ้านทำการเรียนให้ให้ดีแล้วผลมันก็จะตามมาเองสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธาธุสาธุสาธุาธุสาธุสาธุวาาธุสาา คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะตหอดคืนนี้เกือบจะห้าทุ่นในแปดนาทีวันนี้อย่างไรก็ได้สามารถตอบคำถามทุกคนได้นมเราไม่ยืนอยู่บองทีไปเจอเรื่องคุยกันยาวน่ะก็เลยอาจจะเวลาไม่พอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังใส่พิริศพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไป t a r n